บทที่หนึเชษฐาวราริธ์บอกให้ทุกคนซึ่งยืนล้อมวงอยู่ในขณะ น, นี้กระจายถอยห่างออกไปเขาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงลักษณะของก้อนหินที่เคยตั้งอยู่เดิมและลักษณะที่มันถูกชนขยับขยื่นไปสู่ตำแหน่งใหม่ซึ่งร่องรอยของหินที่ตั้งนิ่งจมอยู่กับพื้นมาเป็นเวลานานแสนนานตำแหน่งนั้นย่อมมองเห็นได้ชัดเจนที่สุด เมื่อมันเพิ่งจะมาถูกขยับขยื่นเช่นนี้แล้วก็กวาดสายตาไปในละแวกรอบด้านเพื่อค้นหาทิศทางการเดินผ่านของเจ้าสัตว์ยักษ์พลางเหลือบตาไปยังพรานใหญ่เหมือนจะขอให้อธิบายระผินมองหน้านายจ้างของเขาอยู่ก่อนแล้วระสบตาก็เข้าใจความหมายตลอดไม่เอ่ยอะไรออกมาเป็นคำพูดแต่ชี้มือเป็นภาษาบายแทนคาอธิบาย บอกให้เชิดฐาและคณะนายจ้างทุกคนขณะนี้ทราบว่าไอ้ยักษ์ใหญ่เดินมาทางด้านทางด้านไหนผ่านกระทบหินก้อนนี้แล้วเลยหายไปบนภูเขาหินลูกนั้นโดยชี้ลงไปในป่าโปร่งข้างล่างและยกนิ้วมาตามป่าหินผ่านก้อนหินลูกที่ทุกคนยืนพิจารณาอยู่และในที่สุดก็ตวัดนิ้วชี้ขึ้นไปบนเขาในลักษณะว่า รอยเก่าของเมื่อคืนวานซื้อเหะครับคืนที่ไปกินซากช้างไดโนเทเรียนนะครับมารีอาฮอมันออกตรวจดูตามพื้นในบริเวณใกล้เคียงพื้นหินแข็งมากในบริเวณนี้ไม่ปรากฏรอยตีนเลยหล่นพืมนพังเบาๆเหมือนจะกล่าวกับตนเองแล้วหันไปทางพรานใหญ่ไหนคุณบอกว่าพบรอยตีนของมันบนเนินนั่นไม่ใช่เหรอห่างจากที่นีมากไหม โน่นบนไหลตะพักตรงโน้นนะครับระพินชี้มือบอกทุกคนหันไปมองตามระยะมองเห็นไม่ไกลจากตำแหน่งที่ยืนกันอยู่ในขณะนี้นะักก็ไม่ไกลและไม่เสียเวลาอะไรมากถ้าเราจะเข้าไปดูเชิดถาพูดแล้วถามว่าเราจะเดินไปทางไหนนี่ระพินเรียบชายเนินนี่มุ่งตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าจะไต่เนินตามรอยมันลงไป เราจะอ้อมไปทางนี้ครับจะไม่ขึ้นเขาลูกนั้นแต่ถ้าคุณชายอยากจะเข้าไปดูก็ไม่เป็นไรครับให้พวกลูกหาบหยุดคอยอยู่ที่นี่ก่อนเพื่อจะพักของไว้ที่นี่แล้วเข้าไปด้วยกันทั้งหมดก็ได้ปล้เดี๋ยวค่อยกลับมาตรงนี้แล้วก็ออกเดินต่อระยะห่างกันก็แค่เห็นนี่เองถ้างั้นไปดูใกล้แค่นี้เองนี่นะใช่ยันกล่าวอย่างกระตือรือร้นที่จะเห็นแต่ทุกคนก็ยังช้ากว่ามาเรียมา นักโบราณชีวศาสตร์ผมทองไม่สนใจกับอะไรอีกต่อไปเพราอรู้แน่ว่าตำแหน่งรอยเท้าของเจ้าสัตว์ดึกดำบรรอยู่ที่ใดตามคำชี้แจงของระพินหล่อนก็พระแยกจากขบวนที่ยืนรวมกลุ่มอยู่เดินไต่เนินตรงเข้าไปก่อนด้วยความมั่นเชื่อมั่นตัวเองเพราะถือว่าการแยกเดี่ยวไปตามลำพังกับคณะทั้งหมดเป็นเรื่องเล็กน้อยสาหรับหล่อนเหลือเกินต่อพวกนั้นไม่หยุดรอล่วงหน้าไปก่อน เราก็สามารถเดินตามหลังไปทันไม่มีการหลงพลัดกันเป็นอันขัดเพราะชำนาญในการแกะรอยเท่ากับพรานคนหนึ่งอยู่แล้วจอมพรานสั่งให้คนของเขาพักรออยู่ก่อนแต่คนเหล่านั้นไม่ยอมอยากจะขอเข้าไปเห็นด้วยจึงวางหาบหามกองเอาไว้ก่อนแล้วทั้งหมดก็สาวเท้าตามหลังมาเรียเข้าไปอย่างรีบร้อนกระพินป้องปากตะโกนบอกแม่สาว และชี้มือเป็นเครื่องหมายให้หล่อนซึ่งเดินล่วงหน้าไปก่อนนั้นมุ่งเข้าหาตำแหน่งที่ถูกต้องชั่วไม่กี่อึดใจหลังจากนั้นทั้งคณะก็พากันมาหยุดยืนพิจารณาอยู่ยังรอยเท้าขนาดมาฮมาอันปรากฏอยู่บนไหล่ตะพักของภูเขาหินทั้งลูกซึ่งระพินและงแงซทายได้มาพบไว้ก่อนแล้วเมื่อวันวานพวกพรานพื้นเมืองทั้งหลายพอมองเห็นก็ตาเหลือกอุทานแซดกันอยู่ในลําคอฟังไม่ได้สับ เชษฐถาชยันและดารินจ้องตะลึงพูดอะไรไม่ออกในขณะนั้นสำหรับมาเรียรซึ่งบตดนี้แทบไม่เหลือร่องรอยของการบาดเจ็บบอบช้ำอะไรเลยเพราะความตื่นเต้นต่อร่องรอยโบกมือให้ทุกคนหลีกพ้นรอยตีนที่ปรากฏอยู่นั้นเพื่อจะได้พิจารณาให้ถนักทั้งหมดเงียบกริบกันไปชั่วขณะระหว่างที่แมมสาวสุดตัวลงตรวจตรงบริเวณเล็บเท้าที่จิกไว้บนพื้นขินลูกรัง ครูใหญ่หล่อนจึงเงยหน้าขึ้นเม้มริมฝีปากเป็นเส้นตรงเอาหลังมือเช็ดเหงื่อที่ปลายจมูกไม่มีอะไรจะต้องสงสัยอีกแล้วล่ะมันคือไอสัตว์โบราณประเภทเซาร์เรียนที่เราพูดถึงกันนั่นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นพร้อมกับพูดเสียงแหบต่ำแม่สาวมองตามขึ้นไปบนภูเขาอันเป็นทิศทางที่ไอมาหายักษ์ใบหน้าขึ้นไปดวงตาทั้งคู่รีลงหน้าขาวเปื้มองเห็นได้ถนั พอรู้ไม่มีมันเป็นกอโก้หรือไทรันดารินถามด้วยเสียงเกือบเป็นกระซิบอากาศรอบตัวแม้จะยังเย็นชําด้วยละอองหมอกยามเช้าแต่ในความรู้สึกของทุกคนยามนี้มันอบอ้าวร้อนรุ่มไปหมดรอยตีนเพียงคู่หลังน่ะไม่สามารถจะยืนยันได้ว่ามันเป็นชนิดไหนกันแน่ฉันค้นหารอยตีนคู่หน้าของมันไม่พบแต่ถ้าจะเปรียบเทียบกับรอยของ ไทรโนซอรัสที่ปรากฏเป็นหลักฐานให้นักโบราณชีวาศาสตร์ค้นพบมาก่อนแล้วนั้นรอยที่เราเห็นอยู่นี่ใหญ่กว่าถึงเกือบเท่าตัวใช่หละหล่อนกระซิบตอบดารินแนวหันไปทางพรานใหญ่ผู้ยืนสงบนิ่งอยู่ไทวันคุณกำแงยสายตามรอยขึ้นไปบนภูเขาลูกนี้หรือเปล่าแล้วพบร่องรอยอะไรบ้างจอมพรานสั่ศีจาง ผมไม่ได้ตามขึ้นไปอีกแรก้วเพราะไม่มีเวลาพอเห็นว่าไม่จําเป็นเท่าที่ปรากฏจากรอยหินพริกเพราะถูกชนกระทบและรอยตีนที่ประทับอยู่นี่มันก็เกินพอสําหรับผมแล้วที่จะสันนิษฐานได้ว่ามันไม่ใช่สัตว์ตัวเล็กถ้าไม่เสียเวลาเกินไปนักนะฉันอยากจะตามขึ้นไปบนเขาลูกนี้เพื่อจะได้เห็นอะไรมากกว่านี้เอาอย่างนี้ดีไหมไพวัน คุณนำคณะทุกคนเดินทางไปตามเส้นทางเดิมของคุณล่วงหน้าไปก่อนฉันจะแยกตามรอยของมันขึ้นไปรับรองว่าภายในไม่เกินสองชั่วโมงฉันจะตามไปทันคณะของคุณไม่ต้องหยุดรอหรอกเดินกันไปเรื่อยๆก็แล้วกันกระพินสั่นศีรษะอีกครั้งเป็นความหมายปฏิเสธเด็ดขาดแววตาของเขาที่จ้องหลอนแข็งกร้าวขึน้นเป็นไปไม่ได้หรอกเมย ที่เราจะปล่อยให้คุณหรือใครคนใดคนหนึ่งแยกกันออกไปตามลำพงังนอกจากจะไปกันทั้งหมดแบบนี้แต่ฉันมีเหตุผลนะเหตุผลอะไรท่านหัวหน้าคณะขัดมาด้วยเสียงเครียดๆอีกคนก็เหตุผลที่จะตามไปดูให้รู้แน่ว่าขณะนี้มันอยู่ที่ไหนหรือว่ามันเป็นไดโนเสาร์ประเภทไหนกันแน่น่ะสิข้อนั้นไม่จาเป็นหรอกมันจะเป็น โกโกสซรัสหรือไทรนโนซารัสผลก็เท่ากันแหละคือเป็นสัตว์ ร, ร้ายใหญ่มหคือมาที่สุดซึ่งเราต้องการจะหลีกลบมากกว่าคิดที่จะพบน่ะจะทำให้พวกเราส่วนใหญ่เกิดกังวลหวงหน้าพะวงหลังอีกเลยเพราะจะยิ่งพลาเวลาออกไปอีกท่างนี้ทีไตรตลอดจนแผนต่อสู้ของเราก็นัดแนะเตรียมกันไว้พร้อมแล้วเมื่อความจาเป็นมาถึงเพราะฉะนั้นขอรู้ไว้เถิดว่า ถ้ามันเดินไปทางทิศเหนือเราก็จะต้องหาทางเลี่ยงออกทางทิศใต้เพื่อจะไม่ให้พ่านพบกันเลยไม่ใช่เดินตามรอยหรือสะกดหลังมันอย่างศัพท์ที่เราหมายล่ะมาเรียอึ่งดารินกับชายันช่วยทักทวงมาอีกในที่สุดแม่สาวผมทองก็ยอมจำนวนโดยดุษนีไปเดินต่อตามเส้นทางของเราเชิดขา หันมาบอกรพีนทั้งหมดถอยจากไหล่ตะพักตรงที่รอยตีนสัตว์ยักษ์ประทับไว้ตรงมายังที่เดิมซึ่งพวกลูกหาบวางของแล้วขบวนก็เคลื่อนต่อไปเงียบๆบรรยากาศเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดอึดอัดยังไงบอกไม่ถูกชายเยันยั ง, ร, งรังท้ายคุมขบวนอยู่ตามเดิมและมาเรียผู้ตลอดการเดินระยะแรกทิ้งห่างจากเขาก็ผ่อนฝีเท้าทวงจนอดีตนายทหารปืนใหญ่ เดินตามขึ้นมาทันชยันหล่อนเอยเรียกนามเขาเป็นการพูดด้วยก่อนเป็นครั้งแรกสำหรับเช้าวันนี้ชยันสังเกตเห็นสีหน้าของหล่อนมีกังวลก็เดินเคียงเข้าชิดใกล้มีไรเหลือเมระเบดที่คุณติดกับธนูของแง่ทายอำ น, นาจของมันจะพอกันเหรอกับเจ้าสัตว์ยักษ์ที่มีรอยติงใหญ่โตถึงเพียงนั้น ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเมย์ายหลังจากนิ่งไปครู่ชยันก็ตอบอย่างหนักใจเช่นกันแต่ฝืนยิ้มปลุกปลอบใจให้เพื่อนสาวแต่มันก็เป็นระเบิดชนิดมีอำนาจร้ายแรงที่สุดเท่าที่เรามีอยู่ในขณะ น, นี้แล้วก็น้ำหนักมากที่สุดเท่าที่จะติดกทัทนูให้ใช้ ย, ยิงไปได้แลวนะเมย์ฉันเองนะไม่มีความรู้ในด้านนี้มาก่อนนะชยันแต่เท่าที่เห็นระเบิดของคุณนะ่ะ ฉันว่ามันเป็นระเบิดประเภทที่ใช้ระเบิดหินไม่ใช่ระเบิดแบบที่ใช้ทำลายชีวิตหรือที่มั่นในการสงครามมันมีอำนาจแรงอัดไม่มีชิ้นระเบิดหรือสกเก็ดที่จะช่วยในการทำลายและอนุภาพในการทำาลายนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเป้าหมายที่จะทำาลายนั้นมีสิ่งแวดล้อมอันอัดแน่นบีบบังคับอยู่แล้วโดยโดยอาศัยให้อานาจระเบิด แหกทำลายสิ่งที่สกัดกั้นออกไปอย่างเช่นเจาะฝังเข้าไปในหินและหมันระเบิดหินออกที่นี้เป้าหมายที่เราต้องการทำลายน่ะมันคือสัตว์มีชีวิตเคลื่อนไหวได้โดยอาศัยให้ลูกธนูเป็นพาหะนำระเบิดเข้าไปให้ระเบิดอยู่ใกล้ๆตัวมันเท่านั้นเราไม่ได้เจาะฝังเข้าไปในตัวมันซักก่อนแล้วถึงได้ระเบิดเพราะฉะนั้นมันจะระเบิดขึ้นในอากาศว่างเปล่าตรงบริเวณผิวผนังของมันเท่านั้น พลังงานถูกใช้ศูนย์ไปในอากาศโล่งว่างเปล่าไม่มีสเก็ไม่มีชิ้นระเบิดจะช่วยทำลายหรือสร้างบาดแผลขึ้นได้แล้วคุณคิดว่าจะได้ผลเหรอถ้าเราสามารถจะย่อนระเบิดของคุณเข้าไปในท้องของมันได้และให้ระเบิดจากภายในออกมาฉันจะไม่สงสัยเลยนะว่ามันต้องได้ผลแน่แตอนนี้เราไม่อยู่ในฐานะจะทาได้อย่างนั้นอย่างเก่งที่สุด แง่ส า, ายก็ยิงธนูไปให้ปักที่ผิวเบื้องนอกของมันเท่านั้นซึ่งลำพังหัวธนูที่จะปักผิวเบื้องบนพอให้จมมิดหมดทั้งดอกฉันก็แทบจะไม่รู้สึกระคายผิวอะไรเลยด้วยนะคำพูดมันก็คิดของมาเรียทำให้ดีในายพันตรีผู้เชี่ยวชาญในการก่อวินาศกรรมต้องใคร่ควรวญหนักเขาเคยวิตกอย่างที่หล่อนพูดนี่เหมือนกันแต่ก็พยายามจะมองผ่านไปซะ โดยไม่ปรีปากบอกกระพินหรือเชษฐาในระหว่างร่วมหารือกันทั้งนี้เพราะอยากจะเชื่อมั่นในทฤษฎีกฎเกณฑ์เช่นที่เคยใช้ได้ผลมาแล้วกับงูใหญ่ที่หล่มช้างแต่ถึงยังไงเขาก็ต้องยอมรับและรู้เห็นด้วยกับความกังขาแคลงใจของมาเรียระเบิดที่ติดกระถนูของแง่ทรายเป็นเพียงระเบิดที่ใช้ระเบิดหินหรือจะดัดแปลงเป็นระเบิดวินาศกรรมได้ ก็ต่อเมื่อแอบเข้าไปวางไว้ให้ถูกจุดที่ควรวางของเป้าหมายที่ทำลายเท่านั้นไม่สามารถจะใช้ได้เช่นเดียวกับจรวดหรือปืนครกที่ใช้ในสงครามซึ่งนอกจากจะมีอนุภาพในการทำลายแล้วยังมีชิ้นระเบิดสำหรับการประหัตประหารอีกด้วยปฏิบัติการและสมรรถนะของระเบิดทั้ง2แบบมันผิดกันมากมายนักและในกรณีของเจ้ายักษ์ไดนโนเสาร์ตัวนี้ ถ้าจะให้ปลอดโปร่งเชื่อใจได้มากที่สุดชัยยันอยากจะได้จรวดหรือปืนคอสักระบอกหนึ่งหรืออย่างเร็วที่สุดก็เป็นปืนคนขนาด20มมแต่เขาก็จนปัญญา จ, จริงๆไม่รู้ว่าจะไปหามันมาได้จากที่ไหนมาเรียฮอฟมันในฐานะผู้ชำนาญทางสัตว์ยุคดึกดําบันคงจะคำนวณหาขนาดและน้าหนักตัวของไอ้ยักษ์นั้นได้เราๆแล้วจากร่องรอยที่หลอน จึงแสดงความวิตกกังวลข้อนี้ขึ้นทว่าไม่ว่าตนเองจะหนักใจสักเพียงไหนชัยันอนานันตรก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะพูดอะไรให้ผู้ร่วมคณะทุกคนฟังได้อ๋อธนูติดระเบิด TNT ที่ผมทำให้กระแงทรายเนี่ยเป็นอาวุธที่มีอนุภาพมากที่สุดเท่าที่เราจะมีได้ในขณะนี้นะเมย และเราได้พิสูจน์ว่าได้ผลชงัดมาแล้วเมื่อคราวยักษ์เมื่อคราวรเผชิญหน้างูยักษ์ที่หล่มช้างริงอยู่ตัวระเบิดเองไม่มีสะเก็ดหรือชิ้นส่วนที่จะทำหน้าที่ประหารแต่อํานาจระเบิดในตัวของมันก็มีอนุภาพในการทำลายหรือประหัดประหารได้เหมือนกันนะถ้ามันมีปริมาณมากพอสมควรกับขนาดและน้าหนักของตัวสัตว์อากาศที่ถูกอัดตัวออกไปโดยแรง ในขณะที่ระเบิดแตกขึ้นจะทำให้เกิดการแหลกเหลวหรือหักพังต่อไปต่อเป้าหมายใกล้เคียงในรัศมีรอบด้านสมมุติว่าเป็นไอ้ยักษ์ตัวนั้นถ้าเงาซยฉลาดเลือกท่งระเบิดเข้าไปให้ตรงจุดเป็นต้นว่ากระดูกสันหลังหัวการคอไม่ลูกระเบิดจะเปิดตักไม่ลูกระเบิดจะเปิดตรงบริเวณผิวหนังด้านนอกก็จริง แต่อำนาจแรงอัดของอากาศก็พอจะมีผลผิดพลาดได้หรืออย่างน้อยที่สุดก็เกิดการน็อกดาวน์พาวเวอร์ทำให้มันเสียหลักยุดจ้างลงได้ด้วยอำ น, นาจเฉียบแม้จะไม่ถึงกับตายในทันทีมันก็อาจหนีไปแทนที่จะบุกเข้ามาเล่นงานเราเธอภาวนาขอให้เป็นอย่างที่คุณคาดหวังไว้เธอมาเรพูรรมพัม ภาวนาขออย่าให้เราต้องพบมันอีกเลยและทั้งสองก็ไม่ได้พูดอะไรกันอีกท่ามกลางบรรยากาศของการรุดหน้าไปอย่างเงียบสงบนั้นทุกคนก้าวเดินอย่างรวดเร็วระมัดระวังในเสียงฝีเท้าและพยายามที่สุดที่จะไม่ให้เกิดเสียงขึ้นโดยไม่จำเป็นเรากาจจะเกรงว่าถ้าหากมีอะไรคลึกโครมกระตกกระตากออกไป มันจะแววไปถึงหูของไอ้อสุนยักษ์เจ้าโลกยุคล้านปีฉะนั้นเป็นสำนึกที่เกิดขึ้นในใจของพวกแต่ละคนโดยไม่ได้บอกกล่าวแก่กันเลยแม้แต่ระพินไพรวันเองทุกสายตากราดฝาบกราดสายไปทั่วสำรวจตรวจตาทุกสิ่งทุกอย่างในละแวทผ่านทางอย่างละเอียดที่ ท, ท่วนที่สุดไม่ยอมให้อะไรผ่านพ้นความสังเกตไปได้เลย เบืนะ้องหน้าจอมพรานติดกลุ่มนำเว้นระยะห่างขบวนโดดเดี่ยวออกไปตามบุคลิกเดิมของเขาเป็นการเดินมาอย่างไม่ชะลอหรือชะลอออมฝีเท้าเพราะเชื่อมั่นในขบวนที่ติดตามมาอยู่ดีแล้วว่าจะต้องตามทันและทุกคนก็รู้ได้ทันทีว่านั่นเขาเริ่มทำเวลาจริงจังขึ้นแล้วพลังงานในร่างกายของแต่ละคนสะสมไว้อย่างพอเพียง จากการพักนอนเต็มอิ่มก่อนออกเริ่มต้นเดินทางประกอบกับอากาศสดใสา ย, ยามเช้าซึ่งเต็มเปด้วยความเย็นชื่นช่วยให้ทั้งสิบสองชีวิตพร้อมทั้งสัมภาร ะ, ระเคลื่อนที่ไปได้อย่างรวดเร็วสำหรับมาเรียฮอปมันนั้นครั้งแรกชา ย, ยัานคอยเป็นห่วงอยู่แต่พอหล่อนบริหารขาได้ที่จากการเดินประมาณ2กิโลเมตรผ่านไปเมนสาวก็เริ่มคล่องแคล่วรวดเร็วปาดเรียวเหมือนเดิม ถ้าจะไม่มีอาการเคล็ดขัดยอกใดๆเหลืออยู่ให้เห็นเชิฐขาดารินพยายามจะเร่งฝีเท้าติดหลังจอมพรานเข้าไปให้ได้เพื่อโอกาสผู้จ่าซักถามแต่ก็หมดหวังเขาทิ้งระยะประมาณ39คงที่เร่งเท่าไรก็กระชั้นระยะนี้เข้าไปไม่ได้นอกจากจะวิ่งกวดทั้งๆที่ดูว่าเขาเดินไปอย่างธรรมดาที่สุด พี่ใหญ่ดูสิคะดารินขยับคิ้วบุ้ยปากไปเบื้องหน้าไม่ว่าเราจะเร่งสักขนาดไหนก็ตามตาพรานนั่นไม่ทันสักทีหน่าจะส่งแกไปแข่งขันเดินเร็วโอลิมปิกรับรองว่ามาวินแน่ยิ่งเขาเดินเท่าไรเท่ายิ่งเขาเดินเร็วเท่าไหร่ก็เป็นการช่วยพวกเราให้เดินเร็วตามขึ้นเพียงนั้นนั่นเป็นลูกไม้ของระพิน ที่เคยชินและรู้ดีมานานแล้วถ้าเขาเดินช้าผ่อนฝีเท้าลงมาเท่าๆพวกเราพวกเราก็จะยิ่งช้าลงไปอีกซึ่งเดินทะซึ่งเดินนำเป็นการเร่งทางซึ่งเดินนาเป็นการเร่งทางอ้อมไว้เรื่อยๆพวกพรานนำทางก็อย่างนี้ทุกคนเลยพี่ชายบอกอย่างเข้าใจอะไรดีกว่าน้องสาว ตอนที่หลงป่าอยู่ด้วยกันเนี่ยรพินก็เดินเร็วอย่างนี้แหละค่ะแต่น้อยตามทันทุกครั้งไปมาคราวนี้ทำไมถึงตามไม่ทันก็ไม่รู้สิถ้าน้อยเดินตามหลังเขาทันเมื่อไรก็ขอให้รู้เถิดว่าเขาไม่มีลักษณะเต็มตีนฝีเท้าของเขาอีกแต่เขาผ่อนฉลองให้แม้ตัวน้อยเองจะรู้สึกว่าเดินมาอย่างเร่งรีบขนาดไหนก็ตามหลงป่าอยู่ด้วยกันสองคน เขาจะทิ้งระยะห่างน้อยออกไปได้ยังไงแต่นี้เขาไม่มีอะไรจะต้องมาพะวงห่วงอยู่และต้องการให้ขบวนของเราไปอย่างเร็วที่สุดจึงนํารุดหน้าอย่างเดีย ว, อ ย, วอย่าไปคิดกวดตามเขาจะให้เสียกําลังเปล่าเลยเพราะถึงยังไงพวกเราก็เดินสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วชีวิตประสบการณ์ความชํานาญมันต่างชั้นกันมากรพินเดินป่ามาแท้ตลอดชีวิต เอาแน่ว่าเราเดินกันให้เต็มกำลังเอาแน่ว่าเราเดินกันให้เต็มกำลังความสามารถของเราก็แล้วกันถึงยังไงเขาก็ไม่ได้เดินหนีหายทิ้งระยะห่างไปไกลหรอกและอีกอย่างหนึง่งการเดินล่วงหน้าไปก่อนเป็นวิธีการของเขาตามปกติอยู่แล้วนี่คะเพื่อเพื่อสำรวจตรวจตาบริเวณที่จะผ่านไปบางทีเราเห็นชาติบางทีเราเห็นเขาเดินไปเบื้องหน้า แต่เพลือล่อๆก็อาจเดินย้อนไล่ขบวนมาทางเบื้องหลังก็ได้แล้วก็จริงดังเชตถาว่าร่างโปรงเรงพงงเียวของจอมพรานร่างโปรงเพียวของจอมพรานผู้เห็นเดินดุมดุมอยู่เบื้องหน้าหายแวบไปในหมู่โขดหินอันระเกะระกะพี่น้องราชสกุลทั้งคู่ซึ่งนำอยู่เบื้องหน้าของขบวนหาบก็สาวเท้าตามรอยเข้าไป ตามตำแหน่งที่คเนว่าเขาควรจะบ่ายหน้าไปพักเดิวเท่านั้นพอรับมุมหินก้อนใหญ่ที่ยืนตรังงานเคียงคู่กันเหมือนปากทาวาวรผ่านทางก็มาพบกับที่ลุ่มราบโล่งเทลึกลงไปสู่ป่าหินอันสลับซับซ้อนอีกบริเวณหนึ่งสภาพของหินที่งอกอยู่ทั่วไปและดูเหมือนนิรมิตรในเท พ, พนิญายมีทางใหญ่สองสายแยกเป็นสองแพร่งซ้ายและขวา ร่องรอยของพรานใหญ่จะบ่ายหน้าไปทางใดไม่ปรากฏให้หินเทถากับดารินกวาดสายตาค้นหาไปรอบด้านเริ่มลังเลทำท่าจะหยุดรองแอซายกับขยินผู้หาบตามมาเบื้องหลังห่างราว49เกเพราะตัดสินใจไม่ถูกก็จะแยกซ้ายหรือขวาดีดารินขยับจะร้องออกมาอย่างหัวเสียก็พอดีได้ยินเสียงย่ำพื้นกรวดมาจากเบื้องหลังหันไป ก็เห็นคนที่กำลังนึกจะต่อว่าอยู่เดินตามมาทางเบื้องหลังพร้อมกับโบกมือให้สัญญาณบอกมาว่าซ้ายมือครับคุณชายปราสาทพันธุโมวดีอยู่ห่างจากเราไม่เกิน500เมตรนี่เองเราจะผ่านทางนั้นครับดารินถอนใจขึ้บหยุดยืนอยู่ริมทางส่วนเชษฐานั้นพอได้รับการชี้บอกก็ออกเดินล่วงหน้าไปก่อน นักมนุษยวิทยาสาวรอจนกระทั่งพรานใหญ่เดินเฉียดผ่านมาพบเดินเฉียดผ่านมาพอเห็นเผลอสายตาของใครทุกคนก็ได้จังหวะเหมาะเหวี่ยงกำปั้นทุบหลังกินเปล่าเฉย ๆ, ๆอักหนึ่งแล้วเดินจี้ติดหลังมารับเหินสูดปากเบาๆทุบหลังผมทำไมเนี่ยคุณหญิงเขาถามนานิวไม่รู้ มันไส้ขึ้นมาก็ซัดให้งั้นแหละอะแล้วมันไส้ผมเรื่องอะไรไม่ทราบไม่บอกอา้าวไปไปไปอย่ามาทําเดินดีรออยู่เดินไปข้างหน้านอนรอยพี่ชายเขาเดินนําคนเดียวอยู่ได้ไงเกิดอะไรขึ้นจะทําไงดารินทุบอีกครั้งและผลักหลังเขาให้เซธลาสุนไปเบื้องหน้าระพินหันขวบมาจ้องหน้าขึงขังระหว่างนั้น แง่ทายกับขยินอันเป็นคู่หาบคู่หน้ายังเดินลับมุมมาไม่ถึงและเชิดาผู้เดินนำอยู่หน้าสุดขบวนก็กำลังลับลั บ, ลบหายหายไปในระหว่างหมู่หินซับซ้อนอันเป็นฉากกำบังอยู่ทั่วไปมุมทางเดินในระหว่างซอกโขดตอนนั้นจึงเป็นมุมอันลับตาชั่วขนาดหนึ่งประเดี๋ยวก็ฉุดเข้าริมทางให้ทุบซีพอรอก ลองดูสิไม่ยิงตับแตกก็อย่ามาเรียกว่าดารินอารมณ์หญิงทำไมแกรงจริงพูดออกไม่หมดสิไม่ได้มั่นคงแน่นอนอยู่กระร่องกระรอยเลยชั่วโมงนี้ดีชั่วโมงต่อไปร้ายวันนี้รักพรุ่งนี้เกลียดนั่นน่ะมันแม่แสงสมของทิจ้าเธคนนี้ก็เหมือนกันล่ะครับ ตัวเองอ่ะดีนักนี่พราคนหน้าซื่อไม่ซื่อแต่หน้าแต่ใจก็ซื่อด้วยนะครับคดเคี้ยวลึกลับเหมือนทางด่านที่กำลังเดินอยู่นี่ทีเดียวอยากรู้นักว่าใครนะ่ะ เ, เยแสอยากรู้นักว่าใครนะแอบใส่ไฟนายรพินอ๋อไม่ต้องรอให้ใครเ็าใส่ไฟหรอก ตัวเองน่ะไปทําอะไรไว้ที่ไหนยังไงบ้างน่าจะรู้ดีอยู่แล้วนี่แง่ทรายฟ้องอะไรครับนี่หยุดเจนบาปใส่แง่ทรายเ ส, ายสทีคุณน่าไม่ชอบหน้าแง่ทรายเท่าไหร่ฉันก็ไม่ชอบหน้าคุณเท่านั้นอะรู้ไงเถอะแปลกแต่ไหนแต่ไรมาคุณหญิงยิ่งไม่ชอบหน้าผมเท่าไหร่ผมก็ยิ่งรักคุณหญิงเท่านั้นอ๋อนี่เดี๋ยวนี่ปากกล้าใหญ่เลยนะ ยื่นปากมานีหน่อยสิขอตบสักเพียสักกี่เพียก็ได้ครับแต่จะจูบเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาสิตบคนปากกล้ายื่นปากมาให้แต่คนขอตบไม่อยากกล้าตบคอนจนตาควา่ำใช่แล้วจะกล้าตบเข้าไปได้ยังไงระยะเดินตอนนี้เป็นมุมอันรับตาขืนตบเป็นขาดทุนแน่นี่แป๊ะพนนะ อ่ า, าทำเดินคลออยู่อย่างเงี้ยนะตัวน่ะเป็นพรานนําทางก็เดินนําไปข้างหน้าสิจะเดินจำ้ำพรวดพรวดเป็นเดินตามควายหายไม่ต้องรอใครก็เชิญตามสบายธุระอะไรมักตีเสมอเดินกระแสะน้องสาวของนายจ้างก็ น, น้องสาวนายจ้างอยากสวยทําไมละ่ะไม่สวยเปล่าขี้งอนก็เท่านั้นแต่สวยตอนไหนก็ไม่เท่าตอนงอนนะก็เดินดูหน้าคนงอนๆ อ, อยู่ใกล้ๆหน่อจะเป็นไรเชียวนี่นี่นี่มากไป ไปเดินดูเมย์ดีกว่าไปเรื่องอะไรจะไปดูเมย์เห็นนี่จนไม่อยากเห็นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่มาเร น, นุ่งผ้านุ่งผ่อนใช่ไหมรพินเกือบสะดุ้งจ้องหน้าดารินดารินสะบัดมือไปทางอื่นเอาละ่ะนี่เห็นจากคนได้สาเหตุสักทีละหางเสียงไม่ดีผิดสังเกตว่าตั้งแต่เมื่อคืนนี้แหละผมเองก็ไม่สบายใจมาตลอดนะครับนึกไม่ออกว่าทําอะไรผิด แล้วคุณหญิงโกรธอะไรผมดารินฝืนยิ้มแค่นๆยักไหลทั้งสองโตตอบตอปากต่อคคำกันอย่างรวดเร็วระหว่างที่เดินเคียงกันไปเปล่าไม่ได้โกรธหรอกทุระอะไรที่จะต้องโกรธด้วยไม่ได้สนใจสักนิดในกรณีที่ใครจะปล้ำใครอยู่ที่ริมทานานา้ำเมื่อบ่ายวานันนี้ตอนยิงสือ่อคิวดาบคุณหญิงครับไม่ต้องมาเรียกฉัน ไม่บอกคุณหญิงหรือครับโยนบาปใส่คนอื่นอีกแล้วถ้าไม่เมย์จะต้องบอกฉันด้วยแม่นั่นเหรอคุณไม่ต้องกลัวหรอกเก็บความลับมิชชิดดีนะรับรองว่าอะไรต่ออะไรจะไม่มีวันรั่วไหลจากแม่นั่นเลยขนาดชา ย, ยันตบเอาหน้าตาเขียวยังไม่ปริปากสักคำปิดเงียรบระพินใจหายวับนี่แปลว่าอะไรต่ออะไร แม่ดอกฟ้าของเขาล่วงรูปร้ปลุกโรงหมดสิ้นแล้วเหรอตายละเขาคิดไปไม่ถึงเลยจนนิดเดียวว่าหล่อนจะเท่าทัานในพฤติการต่างๆที่เกิดขึ้นทุกฝีก้าวและอมนิ่งเฉยอยู่ภายใต้สีหน้าเรียบเียบปกติมาตลอดแล้วคุณหญิงรู้ได้ไงเขาแข็งใจถามหูจะไม่ได้หนวกนี่ราชาสกุลสาวสะบัดเสียง ฉันบอกแล้วไม่ใช่เลยว่าฉันเป็นคนแรกที่วิ่งล้ำหน้าไปก่อนเพื่อนเมื่อได้ยินเสียงปืนลั่นขึ้นที่ท่าน้ำข้างล่างฉันได้ยินเสียงเมตโกนร้องชัดเจนทีเดียวได้ยินว่าไงครับก็เขาร้องตะโกนออกมายังไงฉันก็ได้ยินอย่างนั้นแหละออก็เมื่อคืนนี้คุณหญิงก็ย้ำๆถามผมนะนี่ในเรื่องนี้ถามผมแล้วก็ไม่รอคาตอบเดินหนีไปเลย ทำใหผมกังวลใจมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็แกลงถามเล่นไปงั้นเองแหละแล้วคุณหญิงเข้าใจยังไงครับก็เข้าใจอย่างงั้น่ะก็ก็ไม่เข้าใจยังไงหรอกหล่อนยิ้มเยอะอีกครั้งคุณหญิงไม่สงสัยบ้างหรือครับว่าทั้งๆ ท, ที่คุณหญิงอ้างว่าได้ยินเมตาโกนชัดเจนที่สุดแต่พอคุณหญิงกับพวกเราทั้งหมดไปถึง เหตุใดจึงไม่มีอะไรผิดปกติฟ้องถึงการกระทำของผมนั่นเลยก็จะไปรู้เหรอคุณน่ะอาจมีวิธีใดวิธีหนึ่งทำให้เมยต้องหุบปากนิ่งและกลบเกลื่อนเหตุการณ์ซะก็ได้ร้องตะโกนให้คนช่วยบอกว่าถูกปล้ำอยู่กยกหึกพอไปถึงไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นสักอย่างเดียวคิดดูก็น่าแปลกดีเหมือนกันนะคุณน่ะคงมีดีอะไรกระมังที่ทาให้เขาเงียบเสียงวอยๆลงได้แต่ไม่ต้องกังวลไปหรอก มีฉันได้ยินอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละในกลุ่มที่วิ่งพรูเข้าไปเพราะบอกแล้วนี่ไงว่าฉันเป็นคนแรกที่วิ่งเข้าไปใกล้ที่สุดก่อนคนอื่นรพินไทรวันหัวเราะเบาๆในลำคอดวงตาทั้งคู่ที่แลมายังดารินเป็นประกายลึกเอาละ่ะเรื่องนี้ผมไม่ขอปฏิเสธหรือแก้ตัวอะไรทั้งสิน้นก็ไม่น่าจะปฏิเสธหรือแก้ตัวอะไรให้มันยุ่งไ ป, ปเปล่านี่ก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่สนใจ หางเสียงนั้นเรียบๆแฝงไว้ด้วยความไว้ตัวก็จริงแต่แววตาบอกให้ทราบถึงความระคางใจผมอยากจะเชื่อครับว่าหมอมราชวงศ์หญิงดารินวราริศคงจะรู้จักนายรพินไพรวันได้ดีพอสมควรอย่างน้อยที่สุดขณะที่หมอมราชวงศ์หญิงคนนั้นพับพรากจากพวกพ้องหลงป่าอยู่ตามลพาพังสองต่อสองกับพรานรพินธรรมชาตินิสัยมโนธรรม ความรู้สึกนึกคิดของเขาเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้แหละมันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ชัดที่สุดก่อนนี้ฉันก็คิดว่าฉันรู้จักคนที่ชื่อระพิน์ไทวันรู้จักดีที่สุดด้วยความอบอุ่นและเชื่อมั่นขณะเดียวกันก็แอบมีความสุขอยู่คนเดียวยบเงียบๆในความรู้จักอันเต็มไปด้วยคุณค่านั้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้จักฉัแล้วใช่ไหมครับไม่แน่ใจ เป็นธรรมดาหลงปา่าลำบากกลากรมแทบเอาชีวิตไม่รอดอยู่ด้วยกันก็รู้จักนายรพินดีเดี๋ยวนี้กลับคืนมาพร้อมหน้าญาติมิตรบริวารจะต้องรู้จักนายรพินอยู่อีกทําไมให้เสื่อมสีหม่อมราชวงศ์หญิงผู้สูงด้วยชาติสกุลและทรัพย์สินแขวนกับพรานป่านะมันแผ่นฟ้ากับแผ่นดินนี่เพียงแต่กลับมาพบพวกพ้องพร้อมหน้าในคณะเท่านั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างบรรลุผลเรียบร้อยกลับไปถึงกรุงเทพเมื่อไหร่เราคงจะยิ่งไม่รู้จักกันมากกว่านี้มั้ง ใช่เราไม่ควรรู้จักกันอีกเลยเมื่อถึงเวลานั้นเวลาซึ่งมีใครคนหนึ่งเข้ามาคอยดักต้อนรับยอดชายนายระพินอยู่แล้วที่บ้านพักหนองน้ำแห้งใครครับไม่อยากจะเอ่ยชื่อซ้ำซากอยู่หลายครั้งระพินไพรวันถอนใจเขื้นคุณหญิงครับน้ำเสียงของเขาอ่อนโยนเต็มไปด้วยกระแสวิงวอนคุณหญิงไม่เคยเห็นหน้าหรือรู้จักบุคคล น, นั้นมาก่อนเลยนะครับ ไม่รู้เบื้องหลังแก่นแท้นอกจากรับรู้เพียงผิวเผินไม่น่าจะให้บุคคลผู้นั้นกลายมาเป็นภาพหลอนสร้างความระแวงแคลงใจอะไรขึ้นเลยผมกลุ้มใจและเสียใจจริงๆนะครับสมมุติว่าเราจะต้องแยกจากกันต่างคนต่างไปคุณหญิงเดินไปตามหนทางอันราบรื่นสุขสมบูรณ์ของคุณหญิงส่วนผมก็ไปตามทางคนยากของผมสุดตสภาพของเราแต่ละฝ่ายก็ขอยายคุณหญิงได้เข้าใจผมผิดๆในเรื่องนี้เลยครับ หญิงอยู่ผู้หญิงคนนั้นครั้งหนึ่งเคยมีความหมายสำคัญในชีวิตของผมแต่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้นะครับและมันไม่ใช่ความผิดของผมด้วยถ้าผมมีผู้หญิงสักคนหนึ่งที่สุดจริตใจจริงกับผมมีประทีปสำหรับสองชีวิตผมคงจะไม่เนรเทศตัวเองมาเป็นคนหากินเลี้ยงชีพอยู่ในป่าและคงจะไม่รับจ้างนำทางเสี่ยงตายมาครั้งนี้หรอกไม่ว่าจะจ้างผมสักกี่ล้านการมีอาชีพเป็นพรานป่านะ เป็นการลงโทษประชดชีวิตของผมเองอยู่แล้วในข้อที่ว่าทำไมผมถึงหาคนที่รักผมจริงไม่ได้แล้วก็ไม่อยากจะสนใจรักใครอีกทั้งสิ้นถึงได้มาจมอยู่ในป่าแบบนี้ที่ผมพูดนี่ไม่ได้ต้องการจะเรียกร้องความเห็นใจหรือเมตาปราณีอะไรจากคุณหญิงทั้งสิ้นนะครับเพราะไม่ได้หวังอะไรเลยสักอย่างไม่บางอาจที่จะหวังเพียงแต่อยากให้คุณหญิงเข้าใจให้ถูกต้องเท่านั้นและเมื่อเข้าใจได้ถูกต้องแล้ว จะหัวเราะเยาะผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกครับดารินวราฤทธิ์หัวเราะเยาะจริงๆเหมือนกันหัวเราะอย่างกลั่นแกล้งรพินเหลือบมองหน้าชั่วอึดใจเดียวเขาก็เร่งฝีเท้าเดินตัดหลอนผ่านขึ้นหน้าไล่หลังเชิดทาขึ้นไปโดยไม่พูดอะไรอีกแววตาตะวัดสุดท้ายก่อนผลักจากเท่านั้นที่ทิ้งให้คนหัวเราะเยาะและห็นถึงความปวดร้าวสะเทือนใจ เขาผู้นั้นเดินเลยหล่างหลอนออกไปแล้วหมอมราชวงศ์หญิงคนสวยเพิ่งจะรู้สึกตัวว่าหลอนโหดร้ายกับเขามากไปอยากจะเรียกให้กลับมาและบอกถึงความจริงใจแต่ยาเลยเลยตามเลยดีกว่าดารินวราริ์ไม่เคยงอนงอใครอยู่แล้วเชิดเ้าวรารทธิ์ก้าวรุดไปเบื้องหน้ายัางมั่นใจในตัวเองเขาได้รับการฝึกจิตใจและมีประสบการณ์มาดีพอสมควรแล้ว ในกรณีที่จะเดินตามลำพังในป่าไม่ว่าจะเปลี่ยวกันดานหน้าสะพึงกลัวสักขนาดไหนเดินไม่จำเป็นจะต้องคอยห่วงพะวงกลิ่งเกรงอะไรอยู่ขอเพียงให้ได้รับการแนะหรือชี้จุดหมายให้เท่านั้นว่าจะมุ่งไปทางใดประสาททุกส่วนตื่นพร้อมและว่องไวอยู่ทุกฝีก้าวย่างเขาศึกษาเรียนรู้ว่าคนที่จะเป็นพรานใหญ่ได้นั้นจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติอะไรบ้างและเขาก็พยายามจะทาให้ได้อย่างนั้น ความรอบคอบและเป็นคนช่างสังเกตทําให้อดีตนายพันโททู่ทหารบกเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและแน่หละ่ระรพิน์ไพรวันคือครูฝึกของเขานั่นเองครูผู้ซึ่งไม่จําเป็นจะต้องมาเสียเวลาให้อัดถาธิบายอะไรกันมากเพียงแต่คอยสังเกตและเรียนรู้เองจากสิ่งที่เห็นเท่านั้นและบุคคลที่เขารักสนิทและไว้วางใจที่สุดตามการเวลาที่ผ่านไปยามเมื่ อ, อยังซึ้งถึงน้ำใสใจคอ ก็กดหลังเข้ามาทันบุคคลผู้นี้เฉถาไม่อยากจะมองเข้าในฐานะลูกจ้างอีกแล้วหากแต่เป็นเพื่อนร่วมตายซึ่งเขารักน้ำใจที่สุดเมื่อกี้นี้แยกเข้าข้างหน้าข้างทางไปไหนเหรอเห็นย้อนมาโผลกด้านหลังผมเดินมาถึงทางแยกสายใหญ่เมื่อกี้นี้พอดีครับเห็นคุณชายเดินตามหลังมาระยะห่างมากจะล่วงหน้าไปก่อนก็กลัวว่าคุณชายจะเข้าแยกผิดก็เลยหยุดรอ แล้วตอนหยุดรอก็เลยถลหลเข้าไปตรวจดูร่องรอยอะไรในดงหินตรงโน้นข้าวเวลาครับมีอะไรน่าสนใจเหรอผูกก้กองมีแอ่งน้ำมวกเล็กๆอยู่ในระหว่างซอกหินมีรอยเลี้ยงผาลงกินถ่ายมุนไว้ใกล้ๆคงเมื่อตอนหัวรุ่งนี้เองครับถ้างั้นเราก็คงหาสเสบียงเพิ่มเติมได้ไม่ยากนักสินะเข้าใจว่าเป็นเช่นนั้นครับแต่ยังเชื่อไม่ได้แน่นักนะครับที่แน่ที่สุดก็คือพวกงูพิษ กับแมลงพิกชุกชุมมากชอบซ่อนตัวอยู่ตามซอกหินโปรดระวังด้วยนะครับผมเห็นด้วยหยกยกนี่เองก่อนที่คุณจะเดินตามมาทันไอ้เห่าหม้อตัวนึงโอ้โหลำตัวขนาดหน้าแข่งเลยตัดหน้าผมไปห่างสักห้าวาเห็นจะได้สีของมันง้กลึงกก้อนกรวดก้อนหินบริเวณ น, นี้จนแทบสังเกตไม่เห็นถ้าไม่ใช่เพราะมันเคลื่อนที่ได้แตเออ่เจี๊ยาหัวเราะเบ า, เบ า, เบา เราก็ไม่มีอะไรจะต้องกังวลไม่ใช่เหรอสําหรับเจ้าพวกสัตว์เลื้อยคลานมีพิษไร้ากาดพวกนี้ตราบใดก็ตามที่เรามีหมอแก้พิษร้ายได้อย่างวิเศษเจ้าสั่งปลานั่นมากับเราด้วยแต่พยายามอย่าให้พวกเราคนหนึ่งคนใดถูกเข้าก็ดีแล้วครับเพราะถึงสั่งปลาจะแก้ได้ก็จริงแต่มันก็ทําให้เสียเวลาไ ป, ปเปล่าๆคุณชายพอจะจําดงหินบริเวณนี้ได้ไหมครับท่านหัวหน้าคณะมองไปรอบๆ อ, อย่างพยายามเตือนความทรงจําแล้วสั่นศีรษะสารภาพ จำไม่ได้จริงๆนรพินนี่เธเดินคนเดียวแล้วก็หลงแน่จ้ะเราเคยผ่านป่าหินบริเวณนี้ในตอนกลางคืนตอนที่หมอกลงจัดมากครับพอแย้มให้เท่านั้นเชษดาก็ลืมตากว้างอย่างเพิ่งนึกได้โอ้อนึกได้แล้วก็คืนที่เจ้าไอ้ผีดิบมันไรมันมาสะกดเอาน้อยไปและเราติดตามมากลางดึกปรากฏว่ามันมายืนดักพบเพื่อเจรจาแลกเปลี่ยนตัวน้อยกับเราแถวนี้ใช่ม ระพินทรายวันก้มศีรษะลงครับใช่บริเวณนี้แหละครับที่เราประจันหน้ากับมันในคืนนั้นนี่ให้ตายเถอะคุณผมนี่ถึงจะใกล้ชิดพยายามเรียนรู้วิธีการจากคุณยังไงก็เห็นจะไม่มีวันเป็นพรารนาชีพได้นะทํายังไงผมถึงจะสามารถจดจําสถานที่ภายในป่าได้แม่นยําอย่างคุณมั่งนั้นทั้งทั้งที่พยายามอย่างที่สุดแล้วนะเนี่ยผมยังนึกสงสัยอยู่เลยว่าในตอนกลางวันที่เราเคยผ่านไปมาระหว่างปราสาท พ, พันธุมวดี กับที่พักของเราผมไม่เคยผ่านทางนี้เลยแล้วทำไมคุณถึงได้นามาทางด้านนี้จอมพรานหัวเราะน้ำเสียงอ่อนโยนผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันครับว่าจะมีวิธียังไงถึงจะจำสถานที่ภายในป่าที่เราเคยผ่านมาได้มันเกี่ยวกระทิศผสมกับประสาทสัมผัสอันเคยชินด้วยนะผมนำตัดเส้นทางด้านนี้มาก็เพราะเห็นว่ามันย่นระยะกว่าครับ แ ล, พล้พรานใหญ่ก็ชี้บอกให้นายจ้างของเขาทราบเป็นเล่าๆว่าจากตำแหน่งดงหินที่ทั้งคณะกำลังเดินกันอยู่ในขณะนี้ด้านไหนห่างออกไปเท่าไหร่เป็นยอดหินที่เจ้าผีดิบมันไทรไปยิงขึ้นไปจนมุมอยู่บนนั้นและถูกปืนของเชษฐาร่วงหล่นลงมาร่างแหลกเหลว อ, อยู่เบื้องล่างด้านไหนเป็นทางจะไปสู่ถ้ำเจ้ากาลพยักษ์เสือหินที่ชายันวางระเบิดกลนเอาไว้จนย่อดยับพินาศยาเมื่อวิญ ญ, ญาณของมันไทร ถอนเข้าสิงและขยับเคลื่อนไหวตัวเมื่อท่านหัวหน้าคณะเอ่ยปากถามถึงปราศาสตร์หินพันธุมวดีที่กำลังมุ่งไปรับพินก็ชี้ไปเบื้องหน้ายิ้มยิ้มนั่นยังไงครับเห็นอยู่นั่นแลไงเชษฐาคาเม่นจ้องไปยังบริเวณค่อนข้างจะโล่งเตียนเบื้องหน้าแล้วเขาก็จำได้ทันทีเมื่อมองเห็นซากปราสาทหินอันถล่มทลายด้วยอานาจระเบิดกองซ้อนกายกันพเนินเทินทึก เขาจำได้แม้กระทั่งเสาหินต้นใหญ่ที่ล้มอยู่กับพื้นห่างออกมาทางด้านใตน้ซึ่งตำแหน่งนั้นระพินเป็นคนวางคำพีมายาวินดักล่อเจ้าผีดิพันปีอวาวัยในคืนอันเป็นวาระสุดท้ายของมันขบวนทั้งหมดตามมาทันกันยังบริเวณราบโล่งนั้นและเคลื่อนเกาะกลุ่มกันเป็นหมู่เดินตรงเข้ า, ายังซาก ข, ของปราสาส พ, พันธุมวดีอันเงียบสงัด แล้วพากันยืนจ้องสถานที่นั้นนิ่งเงียบไปชั่วขณะหนึ่งราวกับจะนัดกันไว้เหมือนจะเป็นการไหวอารายบัตรนี้ใจกลางของนิทรานครอันเต็มไปด้วยความลี้ลับอาถรรพ์ไม่ได้เหลือมนมายาใดๆครอบครองอยู่อีกแล้วนอกจากซากขินอันปรักหักพังเป็นอนุสรเตือนให้ระลึกได้ว่าครั้งหนึ่งมันเคยเป็นมหาอาณาจักรอันเรืองรองมาก่อน ในอดีตการไกลโพล้นเกินกว่าที่จะคเนหาอายุไขได้ต่อมาระพิน์ไพรวันก็บกมือเป็นสัญญาณให้ขบวนหาบหามที่พลอยหยุดชะงักอยู่ด้วยนั้นเคลื่อนหน้าต่อไปตามทิศทางและคนอื่นๆก็พากันเดินผ่านซากของปราศาสตรไปจนหมดเหลือเขาเป็นคนสุดท้ายที่ยืนซึมทอดสายตาเมือรลอยไปยังกองหินอันพเนเอเทินทึกนั้นแล้วยกมือขึ้นแตะปีกหมวก ให้แก่สถานที่อันเคยเป็นแหล่งจองจำกักขังวิ ญ, ญญาณพิศวาสสองดวงให้ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ชั่วกับชั่วกันลาก่อนพันธุมวดีนางพญาแห่งนครหลับลาก่อนวรมันขุนศึกหนุ่มผู้มั่นคงแน่วแน่ต่อความรักและลาก่อรผศนิกรของนิทรานครทั้งหลายขอให้ทุกดวงวิญญาณจงไปสู่คติภพ จอมพรานก้าวถอยหลังช้าๆแล้วก็หันกลับตามท้ายขบวนไปทั้งสิบสองชีวิตผ่านบริเวณนั้นไปอย่างสงัดเงียบคงได้ยินแต่เสียงฝีเท้าที่ยำไปตามพื้นกรวดหินเท่านั้นและอันเนื่องมาจากกระพินยังเดินถ่วงรังทายอยู่เชิถากับดารินนำไปเบื้องหน้าทั้งสองเริ่มลังเลอีกครั้งตัดสินใจไม่ถูกในเส้นทางเดินอันมีอยู่ให้เลือกทั่วไปนั้น จังหวะ น, นี้เองมาเรียกชายันก็ตัดหน้าขบวนสมทบรวมกลุ่มเข้ามาทั้งสีผู้จ่าซักถามกันถึงทิศทางที่จะเดินไปและเหลียวกลับมาทางเบื้องหลังมีอาการเหมือนจะรอพรานใหญ่แต่แล้วแง่ท า, ายผู้แบกหาบอยู่ทางด้านหน้าของขยินซึ่งตามหลังใกล้เข้ามาก็บิกมือชี้ไปทางซอกทางระหว่างโขดหินด้านตะวันออกเฉียงเหนือดารินพอเห็นสัญญาณชี้ทางเช่นนั้นก็ขยับจะรุดหน้าต่อไปแต่ชายันคว้าแขนไว้ เดี๋ยวสิน้อยอย่าเพิ่งรอรปินก่อนดีกว่ารอทําไมให้เสียเวลาบ่าเดี๋ยวก็ตามมาทันเองไม่ใช่อย่างนั้นกลัวว่าจะเสียเวลาไปโดยใช่ที่เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่ารพินใจพวกเราเดินไปทางนี้อะดารินพลอยชะงักเชิดท้าคิดอยู่ชั่วพริบตาเดียวก็ตัดสินใจพยักหน้าบอกเอาเถอะเดินไปก่อนก็แล้วกันทางแฮซายชี้บอกแบบนี้ก็ไม่น่าจะผิดทางหรอกชยัน ดารินและมาเรียรุดหน้าต่อไปเชษฐารอจนกระทั่งแง่ทรายกับขยินหาของเดินมาถึงจึงเดินไปใกล้ๆมองดูใบหน้าสีทองแดงประกอบด้วยดวงตาแจมา่มใสและอากับกิริยาแบกหามสัมภาระอย่างแข็งแรงสุดชื่นนั้นอย่างพินิษเพื่อจะค้นหาความจริงแง่ทรายการชี้ทางให้ถูกต้องกับเจตนาของผู้กองเขาแน่เลยครับผมเชื่อว่าไม่ผิดนะครับในายใหญ่ แล้วแกรู้ได้ไงว่าเขาจะเลือกเส้นทางนี้ถ้าผู้กองไม่คิดจะทวงทางเดินถลหยออกนอกทางเพื่อไปเสียเวลาอยู่ที่อื่นเขาจะต้องมุ่งตะวันออกเฉียงเหนือตลอดระยะเวลาเดินช่วงแรกสองชั่วโมงข้างหน้านี้ครับนี่แกรู้ทางดีอยู่แล้วใช่ไหมแงาใสา่ริมฝีปากนั้นสยายยิ้มร่างกระงานที่ก้าวสวบๆไปเบื้องหน้าราวกับนักรบบบราณกล่าวว่า ก็ไม่ดีไปกว่าผู้กองระพินหรครับนายใหญ่ท่านหัวหน้าคณะลีกเข้าข้างทางโบกมือให้ขบวนหาบหามอีกสองหาบกับสัางปลาผ่านไปก่อนระพินรับผ่านโค้งด้านมารพินรับผ่านโค้งด่านมามือถือมีดโบวี้กำลังลิดกิ่งไม้ในมือยาวประมาณวาสิตปลายด้านนึงแยกเป็นแฉกง่ามอันเป็นนิสยัยโดยปกติของเขาทุกครั้งในเวลาออกเดิน เชต่าสังเกตเห็นพรานใหญ่เดินมาชะงักรีรอกว่าตาดูภูมิประเทศแวดล้อมและเงยขึ้นไปดูตะวันทอแสงอ่อนแรงอยู่อึดใจเดียวก็เดินตามรอยเท้าของพรรคพวกที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วอย่างสงบคุณบอกนายสายไว้ก่อนแล้วเหรอว่าเราจะมุ่งตะวันออกเฉียงเหนือน่ะเปล่าครับมันรู้ก็ผมบอกคุณชายไว้ก่อนแล้วว่ามันต้องรู้ ระหว่างระยะทางที่จะเดินต่อไปข้างหน้าเนี่ยคุณชายไม่ต้องกังวลแล้วครับบางขณะผมอาจมาอยู่ข้างหน้าหรือแยกออกนอกทางไปโดยคุณชายอาจมองไม่เห็นตัวแง่ทรายกับขญิงจะหาของเป็นคู่แรกเดินอยู่ทางด้านหลังของคุณชายเป็นประจําโดยรูปขบวนที่เราจัดไวน้นี่ถ้าสงสัยในด้านเส้นทางถามแง่ทายได้ทันทีและให้เดินไปตามเส้นทางที่มันชี้บอกเลยครับจะไม่มีวันผิดพลาดเป็นอันขาดราวๆา20นาทีหลังจากนั้น ขบวนทั้งหมดก็ออกพ้นแนวป่าหินอันสลับซับซ้อนลงสู่ทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ในวงล้อมของทิวเขากรวยฝาชีลักษณะเหมือนพีระมิดเรียงรายห่างไกลออกไปรอบด้านห่างจากแนวของป่าหินที่เพิ่งจะหลุดพ้นกันออกไปไม่ไกลนะักและเห็นกองหินหย่อมหนึง่งวางพาดเกยและเรียงรายไม่เป็นระเบียบ ม, มาเรียกช ย, ยันพอสังเกตได้ชัดก็หันมาสบตากันจำได้ไหม แมมสาวถามขึ้นเบาๆชายันพยักหน้าตื่นๆจ้องขมิงจำได้สิซากกองหินลักษณะประหลาดคล้ายๆจะเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิหารที่เรามาพบตอนฝนตกหนักในบ่ายวันนั้นก่อนที่จะหลบฝนเข้าไปติดขังอยู่ในสุสานใต้ภูเขาลูกนั้นไงมองจากเส้นทางเดินที่ผ่านมาเมื่อตะกี้นี้นึกไม่ออกเลยว่าเราจะมาผุ่ที่นี่เพราะครั้งก่อนนะเราไม่ได้เดินผ่านตามเส้นทางที่เดินมาวันนี้เลย สงสัยว่าใครวันจะลัดทางเรามาอีกด้านหนึ่งนะมาเร พ, พึมพำมกว่าตาสังเกตไปรอบๆพอดีกับที่ระพินกเชิถาเก้าเข้ามาสมทบลมซึ่งรู้สึกว่าอับและสั ง, งัดอยู่ตลอดเวลาที่เดินกันมาในดงหินบัดนี้เมื่อออกมาสู่ทุ่งราบโลง่งพัดโชยไม่ขาดสายและห็นยอดหญ้าไหลลู่ราวกะคลื่นสีมรกตดอกไม้ป่าที่ขึ้นแซมอยู่ทั่วไปทรงกลิ่นกลุ่นจรุงใจ ดารินฟักกล้องสองทางไกลประจำตัวจักย่ามหลังออกมากราดสำรวจดูรอบๆลูกหาบทั้งหมดหยุดยืนรอคำสั่งท้องฟ้าและห็นถนัดในรัศมีกว้างไกลเป็นครั้งแรกทางด้านเหนือเขียวชะอุ่มคลุมเครือไปด้วยหมอกส่วนทางด้านใต้สว่างเล็กน้อยแสงตะวันส่องผ่านละอองไอน้าบนยอดเขาลิบๆเบื้องหนะ้าและห็นเป็นสายรุ้งรางรางภูมิภาพรอบด้านในขณะนี้มีทั้งความสวยสุดงดงาม และความเปล่าเปลี่ยวอ้างวางหน้าสะพึงกลัวปะปนกันจนจำแนดไม่ถูกเราจะต้องไปยังเนินอันเป็นสุสานโบราณที่คุณชัยันกัเมเข้าไปติดอยู่ในนั้นก่อนนะครับพรานใหญ่ทำลายความเงียบขึ้นพร้อมกับชี้มือให้เห็นท่านใดนั้นดารินพูดสองกล้องอยู่เงียบเงียบก็อุทานอะไรออกมาเบาๆคำนึกแล้วส่งกล้องให้เชิฐาพร้อมกับชี้มือไปยังจุดดำๆแทบจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ลอยวอนเป็นกลุ่มอยู่เนื้อไหลเขารูปพิระมิดอันเป็นเ ป, นเป้าหมายที่ระพินตั้งเข็มไว้พี่ชายรับไปส่องแล้วพูดเบาๆว่าแรงฝูงใหญ่ทีเดียวมีซากกระไราตายอยู่ทางไหลเขาด้านตะวันออกทั้งหมดจ้องฟ้าทุ่งหญ้าตัดไปในท้องฟ้าอันว่างเปล่าสีทึมๆนั้นเป็นตาเดียวอย่างเป้าหมายที่ท่านหัวหน้าคณะกาลังส่องกล้องดูอยู่ในขณะนี้ ฟ้าเหนือไหลเนินอันเป็นสุสานโบราณหรือจะพูดให้ตรงก็คือภูเขาทั้งลูกนั้นมีช่องของกลุ่มเมฆที่โปร่งโล่งอยู่ระยะช่วงหนึ่งทำให้แสงแห่งทิวาการสาดหินเป็นทางขาวสว่างกว่าสิ่งอื่นๆจุดดำๆอันแลเห็นลอยวกเป็นกลุ่มอยู่เหล่านั้นจึงพอจะสังเกตได้เมื่อมีการสกิดบอกกันให้รู้ตาแหน่งที่หมายก่อนที่ชายยันจะดึงกล้องประจาตัวออกมาบ้าง เชิดาก็ส่งกล้องของดารินอันนั้นให้อดีตนายทหารปืนใหญ่ปรับเลนจนเข้ากระสายตาแรงจริงๆด้วยสิเราจะต้องเข้าไปยังเนินลูกนั้นอยู่แล้วประเดี๋ยวก็รู้ว่ามันเป็นอะไรมาเรียกล่าวเหมือนจะพูดกับตัวเองพานใหญ่ไม่เอ่ยคําใดภายใต้สีหน้าอันสงบพอชยันส่งกล้องมาให้เขาก็โบกมือปฏิเสธแล้วพยักหน้าเป็นความหมายพร้อมก็ออกเดินนําต่อไปขบวนทั้งหมด จึงเคลื่อนที่บุกตัดไปในทุ่งหญ้าขนอันสูงระดับโคนขานั้นใบหน้าเรียบเลาะเข้าสู่ซากวิหารร่างก่อนเป็นอันดับแรกได้ยินแต่เสียงเท้า12คู่ที่บุกพงอยู่สวบสาบเบาๆต่อมาระดับต้นหญ้าริมทุ่งที่บุกกันมาครั้งแรกก็ลดต่ำลงเมื่อใกล้บริเวณกองหินกลายเป็นพวกหญ้าแตกกระบาดสลับไปมากับมวลวัชพืชที่ออกดอกดวงเตี้ยเตี้ยเรียดพื้นงามตา เรากับใครมาแต้มสีสันต่างๆเอาไว้บนพื้นพรมสีขีวสุดล่มอ่อนพัดจากทางด้านทิศเหนือเป็นระยะๆะะอันเนื่องมาจากพื้นโล่งกว้างสามารถมองหินรอบด้านได้ทุกทิศกลุ่มบุคคลชั้นหัวหน้าทั้งสี่ยงเดินรวมกลุ่มกันไปเบื้องหน้าโดยปล่อยลูกหาให้ตามมาข้างหลังไม่ห่างนักรพินนาเดินผ่านซากวิหารบริเวณที่ชายยันก า, าเรียเคยเข้ามาอาศัยหลบฝน ทุกคนเคลื่อนที่ไปเงียบๆได้แต่ใช้สายตากวาดมองภูมิประเทศที่ผ่านไปอย่างทีทุ่นดารินอดไม่ได้ที่จะก้มลงเด็ดดอกยูธกาติดมือขึ้นมาดูเล่นทุกคนของฝ่ายนายจ้างเดินผ่านบริเวณนั้นไปด้วยความรู้สึกอันแช่มชื่นเป็นสุขต่อความงามอันน่าพิศวงของธรรมชาติรอบตัวและปราศจากการระมัดระวังตนผิดกับขณะที่เดินอยู่ในป่าหินอันเต็มไปด้วยที่กบาบังสลับซับซ้อน อย่างไรก็ตามเชิฐาวราริทผู้ซึ่งยึดหลักว่าไม่ว่าที่ไหนเมื่อไรก็ตามถ้าหากมีการออกเดินไปด้วยกันการสังเกตภูมิประเทศสิ่งแวดลอ้อมยังเป็นรองการคอยเฝ้าจับสังเกตอ่านกิริยาการเคลื่อนไหวของจอมพรานเอาไว้เพราะนั่นย่อมเป็นเครื่องอ่านและวัดสถานการณ์ได้อย่างดีที่สุดแม่นยำและแน่นอนกว่าที่เขาจะเสียเวลาอ่านจากรหัสป่าเองซะอีก บัดนี้เขาบังเกิดความสะดุดใจเล็กน้อยและคอยจับตาดูระพินทุกอิริยาบถเพราะสังเกตเห็นจอมพรานเดินเดินหยุดหยุดคล้ายจะพยายามจับรหัสอะไรสักอย่างหนึง่งภายหลังจากผ่านซากกองหินทางด้านเหนือมาแล้วและพื้นเริ่มจะลาดลงไปสู่ที่ลุ่มเปียกแฉะบางแห่งนี้มีน้ำขังเป็นแอ่งเล็กๆขนทางที่ดูว่าล่งสะดวกน่าจะเดินไปเป็นแนวทางสาหรับเบื้องหน้าอยู่แล้ว แต่พรานใหญ่มีอาการเหมือนจะรีรอช่างใจแล้วก็นำอ้อมทางไปซะอย่างผิดปกติใช้สัญญาณมือชี้บอกทางแกงแงซายและคนของเขาทั้งหมดที่หาบกันเป็นขบวนอยู่ให้เดินตามชายันดารินและมาเรียดูเหมือนจะไม่สำเนียกถึงความผิดปกติในข้อนี้นอกจากรู้สึกในสายตาที่เห็นว่าอาจมีแอ่งน้ำที่ลุ่มซ่อนอยู่ในกลางป่าหญ้าเบื้องหนะ้าและรพินหลีกทางซะเพราะคงไม่ประสงค์จะให้ทั้งคณะ ผ่านไปในที่แช่ดารินขณะนั้นไม่สนใจกับอะไรมากไปกว่าดอกไม้ทุ่งงามๆดอกไหนใกล้มือเมื่อเดินเฉียดผ่านเป็นเด็ดเก็บไว้ทุกดอกจนเต็มกำมือเอนไม่รู้เหมือนกันว่าจะเก็บไปทําไมให้เสียเวลารกมือเปล่าๆพวกลูกหาบทุกคนก็ได้รับการฝึกอบรมมาดีเยี่ยมเหลือเกินคนเหล่านั้นความจริงล้วนร่าเริงสนุกสนานและช่างพูดช่างคุยกันเป็นส่วนมากเมื่อเวลาอยู่ในที่พัก แต่ในายามตั้งหน้าตั้งตาเดินกันอย่างแท้จริงเช่นนี้กลายเป็นคนละคนไปซะแล้วต่างเย็บปากสนิทไม่พูดหรือทำเสียงใดๆขึ้นโดยไม่จำเป็นเลยจนททำให้จำนวนคนส2องชีวิตที่เคลื่อนไปเป็นขบวนเหล่านี้ราวกับเงาของปีศาจหรือมิฉนั้นก็กลุ่มคนใบ้เบือ่อบางทีมันอาจเป็นเพราะทุกคนสำนึกได้ว่าทุกๆฝีก้าวที่เหยียบย่างรุดหน้าไป มันหมายถึงการนำตัวเองไปสู่อนาคตอันมืดมนที่ทำนายโชคชะตาไม่ถูกเลยก็ได้ขณะนั้นเองจอมพรานก็หยุดชะงักกึกลงอีกครั้งเงาดำๆของนกสองตัวบินปรือขึ้นมาจากพงหญ้าด้านซ้ายมือห่างออกไปประมาณ20บเมตรพร้อมกับมีเสียงน้ำกระชกเบาๆซึ่งคงจะมาจากแอ่งที่ซ่อนอยู่ในพงหญ้านั่นเองเจ้านกซึ่งมีขนาดเท่านกเอี้ยงคู่นั้น กระพือปีกบินวนอยู่เหนือยอดหญ้าไม่สูงขึ้นไปนักและพริบตาต่อมาก็ทลาหายแวบลงไปในเงาบทบางของยอดหญ้าตำแหน่งเดิมที่มันโผขึ้นมาเมื่อหยกหยกชา ย, ยันกับดารินไม่ได้ไว้ตัวถึงอะไรทั้งสิน้นพลันพลอยชะ ง, งักลงด้วยเพราะมาเรียคว้าแขนดารินไว้เท่าๆกับที่เชษถาผู้เดินอยู่เบื้องหน้าของชา ย, ยันหยุดเดินทั้งสองชนกระทบกันเบาๆห่างออกไปเบื้องหน้าของทุกคน 89รพินไพรวันยืนสงบนิ่งพวกลูกหาบเมื่อเห็นคณะเจ้านายทั้งหมดหยุดก็เลยยืนกันอยู่กับที่ราวกับว่าทั้งคณะถูกสาบหรือมิฉะนั้นก็ต้องมนต์สะกดให้ยุติการเคลื่อนไหวลงในบัตรนั้นลมที่ชวยอ่อนอยู่เป็นระยะบัตรนี้ก็หยุดลงชั่วขณะดารินหันมาจ้องเพื่อนสาวต่างผิวเหมือนจะให้อธิบายในสิ่งที่หลอนไม่เข้าใจ แต่มารียก็ไม่ยอมเอ่ยปากออกมาเป็นคำพูดเพียงแต่บุยปากชี้มือไปยังตำแหน่งที่แลเห็นนกสองตัวบินขึ้นมาเท่านั้นระพินภัรวันขณะนี้สอดสายสายตาไปในรัศมีร8 0องศาเบื้องหน้าเขาเริ่มอึดอัดใจที่ลมหยุดพัดลงเฉยๆทำให้ตัดสินใจไม่ถูกตามปกติแล้วทิศทางเดินของเขาแลขาพยายามรักษาระดับให้อ้อมลงใต้ทางลม ของตำแหน่งซึ่งสงสัยว่าจะมีแองหรือปลักในป่าหญ้านั้นอย่างระมัดระวังที่สุดและได้วกอ้อมมาทางด้านหนึ่งแล้วแต่ถ้าลมพัดอีกครั้งเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะพัดแบบหวนกลับกลายเป็นเหนือลมไปหรือไม่พรานใหญ่ค่อยๆเด็ดดอกหญ้าขนขึ้นมาขยี้เป็นผงแล้วโปรยลงจากระดับไหลแม้จะไม่มีสั ญ, ญลักษณ์ใดจะบอกได้ถึงทางลมให้เห็นชัด แต่ก็พอจะสังเกตจากสัญชตาตญาณอันจักเจนชำนาญว่ากระแสลมโชยอ่อนที่สุดจากแหล่งอันเป็นที่หมายมาสู่ตำแหน่งซึ่งพวกเขายืนอยู่เขาค่อยหันกลับมาทางพักพวกเห็นยืนนิ่งเรียงรายกันอยู่ในตำแหน่งต่างๆเป็นทิวปราศจากระเบียบสำหรับเชศฐานนั้นจ้องเขมิงมาจุด460เวทบีบัตรนี้ถืออยู่ในมือทั้งสองลักษณะเตรียมพร้อม นั่นคือประสาทอันฉับไวและทันต่อเหตุการณ์เสมอของราชสกุลหนุ่มหัวหน้าคณะนอกนั้นเพียงแต่ยืนเฉยแม้แต่มาเรียซึ่งไรฟ้ลยังสะพายอยู่กับไหลราพินก้าวถอยหลังยังแผ่วเบาทำสัญญาณให้พวกนั้นถอยทั้งขบวนเพื่อเปลี่ยนทิศทางเดินใหม่อีกครั้งทั้งหมดพากันย่องเลี่ยงออกไปตามเส้นทางที่จอมพรานชี้บุยชี้บ่ายบอกมาพอห่างจากที่เดิมออกมาได้พอสมควร ดารินก็กลัน้นความกระวนกระวายไม่ไหวเกิดอะไรขึ้นเหรอหลอนกระซิบถามมาเรียเบาที่สุดมีสัตว์ใหญ่นอนแช่ปลักอยู่ทางด้านซ้ายมือนั่นห่างออกไปไม่มากนะักระยะที่พวกเราเดินผ่านเข้ามาใกล้กันที่สุดบริเวณนั้นเป็นทุ่งโลกอันตรายมากไพรวันพยายามจะอ้อมลงไปทางใต้ใต้ทางลมแล้วก็หลีกให้ห่าง เธอเพียงแค่มองเขาแล้วเธอก็อ่านอะไรต่ออะไรออกหมดทีเดียวเหรอไม่ใช่มองเขาแล้วอ่านออกกลอกน้อยฉันเห็นนกสองตัวบินขึ้นมาจากพงหญ้าเป็นนกประเภทที่อาศัยเกาะหลังสัตว์ใจเพื่อกินตัวเหลือบแล้วก็ได้ยินเสียงมันไหวตัวน้ำกระชกนกบินขึ้นมาเพราะการพลิกไหวตัวของมันนั่นเองเธอไม่เห็นเหรอมันบินขึ้นมาอึดใจเดียวก็บินลงไปอีกไง ทำไมฉันถึงจะชำนาญและรู้ทันพวกพรานทั้งหลายเหมือนเธอบ้างนะเมดารินกล่าวออกมาอย่างจริงใจอยู่ในป่าแบบนี้ไม่นานเท่าไรหรอกเธอก็จะยิ่งชำนาญขึ้นเท่านั้นฉันผ่านชีวิตแบบนี้มามากกว่าเธอน่ น, นอยทั่ว่มันเป็นอะไรเมหนึ่งในสามของพวกเจ้าทุ่ควายป่ากระทิงหรือไม่อย่างนั้นก็แรดเดี่ยวหรือคู่ยังไม่รู้ แต่อย่างมากคงไม่เกินสองตัวโธเรื่องเล็กหรือเกินี่มาอ้อมไม่เสียเวลาหยุดทำใหม่แกล้งตะเพิดทําเสียงดังๆมันก็เห็นอ้าวไปแล้วทําไมต้องมาเสียเวลาเดิอนอ้อมหลบอยู่แบบนี้ฉันว่าก็ทําถูกแล้วนะ น, น้อยพวกเรามากันหมดทั้งคณะมีพวกที่หาบหามของด้วยเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในสภาพกลางทุ่งโล่งอย่างนี้มันจะลําบากควายป่าหรือกระทิงโทนน่ะทรายะไม่ใกล้ชิดกระจวนตัวนะัก ทำเสียงไล่เอะอะอาจจะหนีแต่ถ้าเป็นแรดมันจะไม่หนีเลยนะตรงข้ามถ้าได้กลิ่นมันจะพุ่งเข้าใส่ทันทีไพรวันคงไม่อยากจะฆ่ามันเดยไม่จำเป็นแล้วก็ไม่ต้องการให้พวกเราเสี่ยงเมื่อยังมีทางให้เลี่ยงได้ตั้งเข็มเบนเส้นทางใหม่ยองกริบกันไปได้เพียงไม่กี่ก้าวทุกคนก็ต้องสะกดกลั้นใจลงอีกครั้งมีเสียงพริกตัวโครนครามสนันวันไหวอยู่ในพงหญา ตำแหน่งเดิมพร้อมกับลมหายใจฟืดฟาดนกสองตัวบินว่อนร้องขึ้นมาอีกครั้งเสียงนั้นราวกรับรถบดถนนทั้งคันลงไปแล่นอยู่ในปลักพริตตาต่อมาภาพอันทำให้เติรนตะลึงแทบจะช็อกก็ปรากฏกับท้องจักสสุที่หันมาเบิกจ้องเนื้อพงหญ้าที่เป็นแนวทึบบังอยู่สูงระดับอกเขาอันแหลมง ง, งงอนไปเบื้องหน้าราวกับปลายดาบคู่นึงค่อยๆโผล่ขึ้นมาก่อน ต่อมาก็เห็นจมูกอันยนและดวงตาเล็กตีซึ่งกลายเป็นศรีรษะขนาดโอ่งมังกรย่อมย่อมหูเล็กยาวสะบัดอยู่ไปมาแล้วสิ่งที่ประดับอยู่เหนือสันจมูกซึ่งเห็นโผลมาครั้งแรกนึกว่าเป็นเขานั้นก็ปรากฏชัดว่าแท้ที่จริงมันคือหนอไม่ใช่แร่ไม่ใช่กระสู้แต่มันก็ควรจะเป็นสัตว์ในตระกูลเดียวกันนั่นเองพิจกันที่นอทั้งสองแทนที่จะเรียงกันเป็นแถวเดียวบนสันจมูกกลับแยกออกเป็นสองกิ่ง ลักษณะเหมือนเขาควายอีกตูงของการเคลื่อนไหวยังรวดเร็วฉับไวเต็มพลังของมันน้ำในปลักแตกเป็นปีกระจายว่อนแล้วร่างนั้นก็ผุดผงาดขึ้นไม้เห็นทะมึนคืนเต็มตัวเนื้อก่อย่าคุณพระช่วยนั่นคือภูเขาย่อมย่อมลูกนึงทีเดียวทุกคนซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ในอิริบทก้าย่างบัดนี้ตรึงนิ่งอยู่กับที่ในลักษณะนั้น หน้าเลียวไปทางต้นเหตุที่มาของเสียงและภาพเห็นถนัดชัดเจนพร้อมกันหมดเชษ่ฐานั้นพร้อมและระแวงอยู่ทุกขณะก่อนแล้วพอเกิดเหตุรวดพลาดขึ้นไรเฟิลขึ้นประจำไหลในพริบตาแต่เขาก็รอบคอบและสะติดีพอที่จะไม่ลั่นไกลออกไปก่อนเวลาอันควรเพราะสังเกตเห็นระพินผู้ยืนอยู่ชัข้างๆยังถือไรเฟิลปากกระบอกหันไปทางเจ้าสัตว์ใจรูปร่างหน้าตาประหลาดก็จริงแต่ปลายเบนต่าลงดิน แสดงว่ายังไม่ประสงค์จะยิงมาเรียชายันและดารินเริ่มเคลื่อนไหวในเสี้ยววินาทีต่อมาตามสภาพของแต่ละบุคคลเพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินและเพื่อความปลอดภัยของตนเองลูกหาบสามคู่และสังปาเท่านั้นที่ต่างยังยืนนิ่งเฉยราวกับจะเข้าใจสถานการณ์ดีโดยไม่โอโณรมานขวัญเสียอยเพิ่งยิงท่านหัวหน้าคณะท้งทงที่ประทับปืนขึ้นไล่ ศูนย์จัดอยู่ที่ศีรษะอันใหญ่โตนั้นพร้อมแล้วกระซิบเร็วหรือไปยังพักพวกเบื้องหลังทุกคนเพราะเห็นว่าพรานใหญ่ยังไม่มีท่าทีอะไรและคําสั่งนั่นเองไรเฟิลอีก3มกระบอกที่จวนจีนจะแผดลั่นออกไปเป็นเสียงเดียวก็สงบนิ่งอยู่ในมือของแต่ละคนนอกจากนิ้วที่แตะรอยอยู่ที่ไกลเท่านั้นระยะนั้นห่างออกมาแล้วประมาณ25เมตรระหว่างเจ้าแร่ตัวใหญ่ขนาดช้างรุ่น ซึ่งมีนออันประหลาดผิดไปกว่าแรกและกระสู่ทั้งหลายที่ทุกคนเคยเห็นมาก่อนกับคณะเดินทางทุกคนเห็นพรานใหญ่ยืนปากหลักนิ่งจ้องเขม็งอยู่ที่แรดโบราณตัวนั้นไม่กระพริบซึ่งมันก็แงนเบิงเชิดคอจ้องตาอันเล็กตีประกาศความหมายดูเดือดทรหดโดยไม่คำนึงถึงหน้าอินหน้าพรมใดๆทั้งสิน้นประสานตอบมายามนี้แลดูมันเหมือนก้อนหินสลักทั้งก้อน เพราะความแนวนิ่งของมันเช่นกันใครๆจะฟังเสียงและดมหากลิ่นที่มันยังลังเลอยู่ถูกแล้วถ้ามันเป็นตระกูลแรกจริงอย่างเช่นที่รูปร่างลักษณะอันควรเป็นไปตามที่ทุกคนคิดอยู่ในขณะ น, นี้ระบบจักรสุประสาส์ของมันก็ต้องเลวมากแต่คณนะประสาทจะต้องเฉียบไวที่สุดจอมพรานขยับลูกเลื่อนไรเฟิลในมือของเขาอย่างแผ่วเบาขึ้นหลั แต่ยังถือปากกระบอกเบน45องศาลงดินอยู่เช่นเดิมพยายามนำพวกเราทุกคนถอยอ้อมไปทางขวามือเบาที่สุดอย่าทำให้เกิดเสียงกระตุกกระตากอะไรขึ้นทั้งสิ้นผมจะยืนดูท่าทีของมันอยู่ตรงนี้ก่อนไปครับไม่ต้องห่วงเขากระซิบลอดไรฟันออกมาพอให้เชษฐาได้ยินโดยไม่ได้ขยับขยื่นตัวเลย ดเดียวน่าจะจูทําไมไม่จริงหัวหน้าคณะถามในอาการเดียวกันจะบเปลืองกระสุนโดยไม่จําเป็นดีกว่าครับและทัาพลาดไม่ยิงกับที่ไดนัดแรกไม่คนใดคนหนึ่งในพวกเราลําบากแน่ระยะประชิดอย่างนี้หลีกมันดีกว่าครับทําไมมันไม่ชาติเข้ามามันจ้องกลมเชิงเราเหรอือไม่ใช่ครับ มันยังไม่แน่ใจในสายตามันกําลังจับ ก, กลิ่นอยู่ตอนนี้เราอยู่ใตล้ลมแต่ก็ยังไม่แน่นะครับถ้าลมมันมรมันจะพุ่งเข้ามาเมื่อ น, นั้นรีถอยนะครับเชษฐาค่อยลดปืนลงจากไหล่แต่ก็ถือพร้อมที่จะพ่นกระสุนเข้าเป้าหมายได้ในทันทีแล้วจะรดฝีเท้าก้าวถอยหลังออกมาอย่างแผ่วเบาที่สุดทําสัญญาณกับอีกสามคนซึ่งยืนกลั้นลมหายใจยอยู่ให้ถอยตามคําสั่งของระพิน ไม่มีปัญหาหรือข้อขัดแยงด้งใดๆทั้งสิ้นในภาวะขับขันเช่นนี้ซึ่งทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าการปฏิบัติตามคำสั่งของนารใหญ่เป็นวิธีที่ปลอดภัยและแน่นอนที่สุดแม้ตัวเองจะยังไม่เข้าใจอะไรชัดๆก็ตามแต่นั้นคณะนายจ้างทั้งสี่จึงพากันถอยร่นอย่างระมัดระวังและบบกมือให้พวกลูกหาบอยถอยล่วงหน้าไปก่อนด้วยแยกออมออกนอกเส้นทางตามที่ระพินสั่งไว ทุกคนเคลื่อนถอยหลีกทางอย่างช้าๆเดินในลักษณะระมัดระวังเลี้ยวหลังดูอยู่ตลอดเวลาและยังเห็นระพิงยืนประจันหน้ากับมันอยู่เช่นเดิมโดยไม่ตปลี่นกายในที่สุดทั้งคณะก็ห่างออกมาจากรัศมีอันตรายกระชั้นชิดนั้นโดยมีจอนพรานยืนปักหลักเผชิญหน้ากับมันตามลำพังคนเดียวพวกที่เดินพลางเลี้ยวมามองพลางในขณะนี้ใจเต้นแรง เชตาต้อนะมวนลูกหาไปเร่งฝีเท้าขึ้นอีกเมื่อพ้นระยะออกมาเขาไม่ห่วงพวกเขาทั้งสี่คนเรือพิ น, นักเพราะแต่ละคนมีไรเฟิลพร้อมอยู่ในมือและคลองตัวพอที่จะหลีกหลบหรือสกัดกัน้นไอ้รถถังมีชีวิตตัวนั้นได้อย่างอิสระทำไมว่ามันปรีเข้าใส่แต่เป็นห่วงพวกลูกหาบมากกว่าคนเหล่านั้นด้วมีเยี่ยมแล้วทุกคนก็จริงแต่ในภาวะที่ต้องแบกหามมีของหนักบรรทุกอยู่เช่นนี้ ย่อมจะเชื่องช้าและหมุนตัวเข้ารับมือกับสถานการณ์ร้ายไม่ทันแน่ปืนคู่มือของคนเหล่านั้นก็ยังสะพายอย่างหนานแน่นอยู่บนไหลยังไม่มีโอกาสจะปลดออกมาถือพร้อมได้อิอ่งอใจใหญ่ๆทีเดียวที่ยืนประจันหน้ามองกันอย่างเงียบเฉยระหว่างจอมพลานกับเจ้าต้นระกูลแรกตัวนั้นแล้วก็ปรากฏเสียงโครมขึ้นอีกครั้งราวกับแผ่นดินไหวเฮือกมันแผ่นตะลุยขึ้นมาจากปลักที่ยืนเบิง ไม่ได้ปรีเข้ามาที่ระพินผู้ยืนระวังพร้อมอยู่หากแต่ตะกายปลักขึ้นมายืนหันรีหันขวางกระดิกหูไปมาอยู่ทางด้านเหนือของฝัง่งหูเหลือบดและมลงบางชนิดที่รุมเกาะอยู่เต็มตัวบินว่อนเป็นกลุ่มรอบตัวไปหมดระพินขยับยกไรเฟิลขึ้นมาอยู่ในท่าที่พรักพร้อมยิ่งขึ้นจ้องดูมันทุกอิริยาบถการเคลื่อนไหวเมื่อขึ้นมายืนพังงาเต็มตัวอยู่บนพื้นทุ่งหญ้า ทำให้มองเห็นสภาพอันใหญ่โตมโหฬารของมันทั น, นัดยิ่งขึ้นอีกตลอดทั้งตัวตันหนาทึบมีหนังหุ้มอยู่ราวกับเกราะของนักรบจากช่วงไหลของมันคำนวณด้วยสายตาผัดผ่านของรพินมันสูงไม่ต่ำกว่า6ฟุตใหญ่กว่าแรธดธรรมดาทั่วไปถึงเกือบเท่าตัวม <c oughs> ุนซ้ายหมุนวา้ายจะสงสัยไม่แน่ใจต่อสิ่งแปลกปลอมที่มันกระสาว่าเฉียดกลเข้ามาใกล้อยู่อีกสองสามวินาที เจ้ารถถังที่มีเนื้อหนังมังสาคันนั้นก็ออกควบขโยคอปูเลงปูเลงตัทงทุ่งไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเส้นทางวิ่งของมันดูจะเป็นแนวขนานกับการเคลื่อนขบวนบ่ายหน้าไปของคณะเดินทางซึ่งเดินกันอย่างหายใจไม่ทั่วท้องขณะนี้เสียงเท้าอันกำยำใหญ่โตทั้งสี่ที่คับวไปกับพื้นทุ่งดังสะเทือนราวกับม้าสักสิบสองตัววิ่งพร้อมๆกัน ระพินไพรวันเป่าลมออกจากปากอย่างโล่งอกเสยปีกหมวกขึ้นแล้วถอยหลังกลับรีบสาวเท้าเดินตามหลังขบวนของพรกพวกที่ล่วงหน้ามาก่อนโดยเร็วส่วนตาก็ยังจับมองสังเกตอยู่ที่เจ้าสัตว์ใหญ่นั้นอย่างไม่ไว้วางใจสนิทนะักมันโลดแล่นอย่างคึกขนองและลําพองในความเป็นเจ้าทุ่งของมันด้วยฝีเท้าที่ไม่เร็วเกินไปนะักเป็นการวิ่งแบบเหาะเหาะเสมากกว่า ขณะเดียวกันก็หยุดรีรอหันมามองเป็นระยะระยะสบัดหัวฟึดฟาดหายใจหนักแรงได้ยินมาอย่างถนัดแม้จะมีระยะห่างกันออกไปถึงร่วมรอยเมตรและพรานใหญ่ก็ตามมาทันกลุ่มนายจ้างของเขาที่กําลังเดินกันอยู่อย่างเร่งรีบและจับตามองเป้าหมายอันไม่น่าไว้วางใจนั้นตลอดเวลาจะยังไงกันดีผู้กองไอรถถังนะั่นมันทําท่าเหมือนจะบ่ายหน้าไปทางเดินเขาที่เราจะไปนั่นเหมือนกันนะ เช ย, ยันถามด้วยความรู้สึกไม่เป็นสุขนักเดินไปเรื่อยของเราครับแล้วดูท่าทีมันก่อนมันยังจับกลิ่นเราไม่ได้ถนัดนักและตอนนี้มันก็อยู่เหนือลมบางทีมันอาจวิ่งเลยไปทางอื่นก็ได้ครับไว้ใจอะไรยังไม่ได้ทั้งสิน้นระพินมันควบปูเลงปูเรงตระเวนไปรอบๆบทุ่งโนนลมอาจจะหวนหรือมันอาจวิ่งไปอยู่ใต้ลมเราเมื่อไหร่ก็ได้นะถ้ามันเอาเรื่องทีเดียวตัวก็ใหญ่เหลือเกิน เชิดาพูดเครือขเรียดตาไม่ห่างจากร่างของไอ้ปูทวดแรกตัวนั้นยิงใส่สักนัดไม่ดีหรือครับพี่ใหญ่หรือไม่ก็ยิงให้พอเจ็บมันจะได้เปิดหนให้่างไปซะไม่มาป่วนเปลี่ยนดักขวางหน้าเส้นทางเราอยู่ดาริมเ อ, อ่ยขึ้นกระสุนปืนของเราทุกนัดตั้งแต่นี้เป็นต้นไปมีค่าที่สุดถ้าไม่จําเป็นจริงๆเกี่ยวกับการป้องกันชีวิตหรือหาอาหารแล้วมันจะต้องไม่เปลืองเปล่าแม้แต่นัดเดียว ถ้าไม่คิดในข้อนี้เมื่อตะกี้พี่ยิงแล้วได้เป้าหมายที่ดีที่สุดด้วยแต่เห็นดะพินยังสงวนท่าทีอยู่ก็เลยคิดว่าบางทีเราอาจไม่ต้องยิงมันรรชใช่ไหมหรือว่าอะไรกันแน่ราชาสกุลเทาร้องถามขึ้นลอยๆอย่างประหลาดใจต่อรูปร่างลักษณะของมันที่สุดถ้ารูปร่างมันก็น่าจะเป็นแรดนั่นแหละลักษณะอาการเหมือนกับทุกอย่างผิดกันแต่ขนาดที่ใหญ่ขึ้นไปอีกเท่าตัวและนอบนสันจมูกนั่น แผนที่จะเรียงเดี่ยวอย่างแรกหรื่กระสู้ที่เราเคยเห็นนอกของไอตัวประหลาดนี่กลับเรียงแถวคู่เฉิถ า, าพิมพามอย่างสุดพิศวงเช่นกันไอ้โคดแรกยุคโลกลานปีที่มีชื่อประหลาดประหลาดอยู่ในธรรมเนียบสัตว์โบราณของนักโบราณศาสตร์เส่หร่กรมะมังดูท่ามันวางกล้ามใหญ่เต็มที่ไม่ตื่นกัอะไรทั้งสิน้นคืนปล่อยไว้ให้มันวิ่งพล่านดักหน้าดักหลังเราอยู่แบบนี้มคงไม่หมอแน่นะชาชยันพูดอย่างอึดอัด ต้องงี้ดีกว่าครับพรานใหญ่เอ่ยขึ้นภายหลังจากช่างใจตายังจับนิ่งอยู่ที่ร่างใหญ่โตอันวิ่งเหาะเหาะหันซ้ายหันขวาอยู่กลางทุง่งในทิศทางเบื้องหน้านั้นไม่เปลี่ยนเอาเป็นว่าทุกคนเดินตัดทุ่งนี้เป็นเส้นตรงนะครับไปที่เนินซึ่งเห็นอยู่ข้างหน้านอนตามปกติผมจะแยกไปรับหน้าคุมเชิงดูท่าทีมันไว้เองถ้าเห็นท่าไม่ดีผมจะยิงก่อนที่มันจะปล่อย ผมจะยิงก่อนที่จะปล่อยให้มันบุกเข้าไปใส่ขบวนของเราอืมกูดไอเดียไพรววนถ้าฉันเป็นคุณฉันก็จะทำอย่างนั้นกำลังจะเตือนอยู่เดี๋ยวนี้เหมือนกันมาเดร้องออกมารพินขยับจะเดินแยกออกจากคณะอีกครั้งแต่เชษฐานเนียวไหลวายส่งจุดสี่หกศูนย์เวทบีไปแลกกับปืนประจำมือของเขาบอกว่าเอาไอที่แน่แน่เพื่อเนียวไว้ก่อนดีกว่าผู้กองส่งวินกระบอกนั้นไหมผมไว้ก่อนแล้วกัน แต่จอมพรานสั่นศรษะปฏิเสธเห็นยังไม่จำเป็นหรอกครับคุณชายเตรียมเอาไว้ใช้ในเวลาฉุกเฉินที่สุดดีกว่าครับสมมุติว่าถ้าผมพลาดและถ้ามันสวนเข้ามากลางขบวนน้ำหนักตัวมันขนาดนี้ไอ้ที่ผมถืออยู่นี่เชื่อว่าเกินพอแล้วครับเปล่าจบเขาก็สาวเท้าดุมดุมเดินตัดทางแยกจากคณะออกก้าวสกัดดักหน้าทิศทางที่มันกาลังครึ่งเดินครึ่งวิ่งอยู่เบื้องหน้าทันที เชิาคุมขบวนทั้งหมดรุดหน้าต่อไปตามเส้นทางสายตาทุกคู่เฝ้าจับมองพรานใหญ่ผู้แยกเดี่ยวไปตามลำพังตลอดเวลาบริเวณทุ่งราบโล่งปราศจักที่กำบังสามารถจะมองเห็นเป้าหมายที่ต่างกังวลใจระทึกอยู่ในขณะนี้ได้อย่างถนัดชัดเจนที่สุดครั้นแล้วกระแสลมก็เริ่มโชยอ่อนอีกครั้งพัดจากเหนือลงไปใต้ตามเดิม ต่างเห็นหลังของจอมพรานที่เดินตัดทุ่งสีเขียวสดตรงดิ่งเข้าไปหาเจ้าแรดโบราณซึ่งยืนทำมืนอยู่นั้นห่างไกลออกไปเป็นลำดับในที่สุดก็กลายเป็นจุดดำๆดสองจุดจุด1นึงเป็นมนุษย์ตัวเล็กนิดเดียวอีกจุดหนึ่งรงงานเงือกกำยำใหญ่โตวกว่าหลายสิบเท่าของเจ้าสัตว์มามาและจุดเล็กๆอันเป็นมนุษย์ตัวกระจ่อยลอยนีแหละที่คือปรีเข้าหาใกล้เข้าไป และใกล้เข้าไปทุกขณะระหว่างสัตว์โลกสองชนิดชนิดหนึ่งพลังศักดาและอำนาจทั้งหลายอยู่ที่ร่างกายโดยตรงส่วนอีกชนิดหนึ่งมีพลังอยู่ที่สมองสติปัญญาและไหวพริบไอรถถังมีชีวิตเหาะเหาะยึดหยุดอยู่เป็นระยะประเดี๋ยวหันซ้ายประเดี๋ยวหันขวาเบอร์คอเชิดจมูกรับลมเพื่อจะสูดกลิ่นที่มันไม่แน่ใจอยู่เช่นนั้น เป็ น, นจริงที่ประสาตาของมันเร็วมากหรือมิฉะนั้นก็เชื่อในด้านกลิ่นมากกว่าสายตาเห็นเขาแน่นอนแต่อาจไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรกันแน่จึงพยายามที่จะควานหากลิ่นให้ได้ในขณะเดียวกันก็ขยับเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆระพินก้าวสกัดประชันระยะเข้าไปทุกทีแต่ก็พยายามรักษาทิศทางตำแหน่งใต้ลมไว้เสมอคอยคุมเชิงดูท่าทีของมันอยู่เช่นนั้น จากระยะที่ห่างกันเป็นร้อยเมตรบัตรนี้เขาสกดเข้าไปจนถึงระยะ30เมตรทำให้มองเ็นรูปร่างลักษณะของมันอย่างถนัดภนีที่สุดแล้วก็นึกชมอยู่ในใจว่ามันเป็นสมบัติอันหลงสำรวจของโลกนิดนึงที่มีความงามตามธรรมชาติอย่างที่สุดร่างกายใหญ่โตกำยำเต็มวัตถุพละกำลังมหาศาลท่วงท่าอันลำพองอาจอง ไม่วันเกรงขามขยาต่ออะไรทั้งสิลักษณะที่ยืนเชิดเบิงและสะบัดวาดแวง้งศีรษะอยู่ไปมาทราบชัดว่ามันไม่เคยระยอกหรือยอมหลีกทางให้แกนหน้าไหนสัง่ากว่ากระทิงดุดันทอรหดกว่าควายป่าคล่องแคล่วปราดปรยวกว่าช้างกล้าหาญและมีใจสูงยิ่งกว่ามหรือสิงโตหลายต่อหลายครั้งที่มันหยุดยืนเบิง จ้องเขาอย่างจริงจังเหมือนจะสะดุดสายตาอันแสนท่านของมันในภาะวะเช่นนั้นระพินไพรวันก็หยุดลงด้วยประสานสายตากับมันเขมงบางทีมันก็ทําท่าเหมือนจะวิ่งพรวดพราดสวนเข้ามาและเขาก็ยกปืนขึ้นเตรียมพร้อมแต่ก็ประหลาดจุดมันทําอาการรีร ร, รอรอจะวิ่งเข้ามาแล้วก็บายหัวออกตะโพงแล่นต่อไปเช่นนั้นนับครั้งไม่ถว้วน เป็นการตามหลังอมเชิงกันไปเรื่อยๆในทิศทางด้านขวามือของคณะทั้งหมดที่กําลังเดินกันเป็นทิวในขณะในลักษณะคอยระมัดระวังการแผลงริดของมันเพื่อรักษาวความปลอดภัยให้แก่ขบวนใหญ่จอมพรานสืบท้าวต้านสกัดมันไปเรื่อยๆอย่างใจเย็นเขาไม่มีความหนักใจอะไรเลยสําหรับเจ้าแรกใหญ่ตัวนี้เพราะล่วงรู้เข้าใจในแสนชาติายาณและวางใจในอนุภาพของไรเฟิลในมือดีอยู่แล้ว ขณะเดียวกันก็คิดแผ่จิตเมตตาไปให้เขาไม่มีเจตนาที่จะฆ่ามันเลยถ้าไม่เคยมีเวรกรรมกันมาก่อนขอให้มีอะไรมาเดินใจให้เจ้าสัตว์ร้ายตัวนี้ตะลิดออกนอกทางไปซะเถอะอย่ามาป้วนเปี้ยน ว, วยนดักหน้าดักหลังให้เป็นที่บ า, าดเสียวแกคณะเดินทางของเขาเลยครั้นแล้วขณะจิตต่อมานั่นเองระหว่างที่หันรีหันขวางอยู่มันก็ปราดเข้ามาใกล้เขา เป็นการวิ่งในช่วงสั้นๆและหยุดจอกก้มศรีรษะต่ำลงเอาจมูกดมพื้นตาเล็กที่มีประกายโหดทั้งคู่เท่านั้นที่ชำเลืองมาที่เขาแล้วบัดเดนก็สะบิดเสยจมูกขึ้นเอานอทั้งสองที่มีฐานโอบใหญ่ราวกระสาตำเข้างัดโครมเข้าไปที่ตอไม้เล็กกระจายถอนรากว่อนขึ้นไปบนอากาศราวกับถูกแรงระเบิดด้วยพลังมาหาศาลกระพินหยุดนิ่งลงอีกครั้งด็ดดอกหญ้าขึ้นมา เอาก้านใส่ปากกัดไว้จ้องมันไม่กระพริบตามันขวิดเนินดินโงบ ร, ริเวณต่อไม้นั่นอีก 2-3 สาครั้งอย่างรุนแรงทุกครั้งดินกระเด็นไปตูอย่างน่ากลัวพร้อมกับลมหายใจฟืดฟัดแล้วก็ขยับเคลื่อนเข้ามาใกล้อีกจากระยะ25ลดลงมาเหลือ20และจาก20กํากำลังจะลดลงมาเหลือเพียง15เมตรเป็นการประจันหน้ากันในระยะเาผาขนที่สุด เบื้องหลังขบวนของคณะที่กำลังเดินอย่างเร่งรุดบัดนี้พากันยืนนิ่งตัวแข็งกันไปหมดพอเห็นเหตุการณ์อย่างถนัดสิมาเรียคร้างออกมาว่าส่วนดารินยืนกำมือแน่นแทบไม่หายใจบ้าแล้วระพินทำไมไม่จริงมันกำลังจะถึงตัวชายันร้องออกมาอย่างโมโหถึงยังไงก็ตามระยะมันห่างไกลออกไปคายทักพวกเบื้องหลัง คนที่ใจหายใจความอยู่ขนาดนี้ไม่สามารถจะส่งความรู้สึกไปถึงสุภาพบุรุษใครผู้นั้นได้และแน่นอนไม่มีใครอ่านความคิดเขาถูกนัก บ, บัตนี้ตรงตำแหน่งทั้งคนกําลังจ้องตะลึงต่อเหตุการณ์อยู่จอมพลันกระชับไรเฟิลอยู่ในมุมต่ําระยะเผาขนซึ่งหน้าขนาดนี้เขาไม่จําเป็นจะต้องยกพานท้ายขึ้นเลยหรือว่าคํานึงถึงศูนย์ปืนเลยถ้าพลันท้ายมาถึง นั้นไอ้หนูแกก็ฉันเวินกันไปข้างหนึ่ง<_ <k> _>เขาส่งกระแสจิตบอกความพรอมกับยิ้มตาเราประสานดวงตาของมันแน่นิ่ครั้นแล้วเรากับว่ามันจะรับรู้ถึงสิ่งที่เขานึกอธิษฐานไว้หรือมิฉะนั้นก็อาจมีเหตุผลอื่นใดในธรรมชาตินิจัยของมันเองเข้ามาขันไว้เจ้ารถถังซึ่งก่อไปด้วยเนื้อหนังภษากันนั้น กม้มก้มเงยเงอยู่ตรงนั้นเองไม่ได้เคลื่อนขยับหรือโลดแล่นเข้าใส่เขาอย่างที่ทุกคนคิดได้แต่หายใจหนักแรงอยู่เช่นนั้นแล้วอึดใจต่อมาก็เบนหัวออกทางด้านซ้ายควบขยกสะเทือนทุ่งลำหน้าต่อไปดารินหลับตาลงพร้อมกับถอนใจืึอเฉ็ดท้ายกแขนขึ้นเช็ดเหงื่อที่แตกเต็มใบหน้าส่วนช ย, ยันโคลงหัวไปมา นั่นเขาทายังไงนะเบากระหม่อมให้มันเปิดหนีไปยังงั้นเหรออิตพาพรานของเรานี่สําแดงอิทธิปาฏิหาริย์ได้แปลกๆเสมอแต่ให้ตายเถอะฉันไม่ชอบวิธีนี้ของเขาเลยไม่ช้าก็เร็วเขาจะต้องตายถ้าขืนบ้าระหัำชลาใจแบบนี้นั่นไม่ได้เป็นการบ้าระหัำหรือชลาใจอะไรเลยรพินรู้สัญชาตญาณธรรมชาตินิสัยของมันดีและเขาก็เป็นคนใจเย็นไปรีบไปกันเถอะ มันเปิดอ้าวไปโน่นแล้วเชษดฐาตอบมาเบาๆแล้วเร่งให้คณะภายใต้การนำของเขารุดหน้าไปอย่างเร่งร้อนตรงข้ามกับความรู้สึกปลอดโปร่งโล่งอกของพวกพ้องเบื้องหลังในขณะนี้ระพินไพรวันเองไม่ได้มีความไว้วางใจใดๆเจ้าสัตว์ร้ตัวนั้นได้สนิทจริงอยู่แม้มันจะไม่ตรงเข้าใส่เขาออกแล่นปูเลงปูเลงต่อไปมันก็หาได้แยกทางออกห่างแนวเส้นทางเดินของคณะเขาไม่ คงวิ่งเป็นเส้นขนานกับทิศทางการบ่ายหน้าฝ่ายของเชื้ทาอยู่เช่นนั้นกล่าวคือมันมุ่งไปทางเนินอันเป็นสุสานโบราณที่เห็นอยู่เบื้องหน้าในขณะ น, นี้ประมาณ500อเมตรเช่นกันเขาเหลียวกลับมามองดูขบวนแล้วออกสาวเท้าต่อไปโดยยังไม่วกกลับมาสมทบเพียงแต่โบกมือเป็นสัญญาณให้ทุกคนเร่งเดินโดยมีเจ้าสัตว์ใจนำอยู่เบื้องหน้าเช่นนั้นท่านใดนั้นเอง ในระยะประมาณ70เมตรที่มันออกวิ่งนำหน้าเข้าไปไอร่โบราณเจ้ากรรมก็วิ่งเบนวกออกขวามือเป็นการตัดหน้าเส้นทางของคณะทั้งหมดควบอ้าวลงไปทางซีดทายแล้วก็แล่นย้อนต่ำลงมาอยู่ในแนวขนานกับกลุ่มคณะเชตถาเช็ดถาหยุดยืนหันหน้ามามองไม่ห่างออกไปเท่าไหรนะ่นักระพินเฝ้ามองอยู่ตลอดเวลาผอมาเห็นมันวิ่งตัดหน้าเาและตัดหน้าขบวนทั้งหมด วกไปอยู่ทางด้านซ้ายเช่นนั้นก็ตัวเย็นเฉียบหยุดชะงักกึกลงอย่างกระทันหันตะโกนบอกพักพวกสุดเสียงตะเบงเราวังมันเข้าไปอยู่ใต้ลมแล้วเสียงร้องอย่างตกใจของเขาจะลอยผ่านทุ่งไปเตือนให้ได้ยินหนึ่งพักพวกหรือไม่ไม่ทราบได้แต่บัดนี้วิกฤตการณ์ได้อุบัติขึ้นแล้วกับคณะของเชิดถาที่กําลังเดินกันอยู่เป็นแถวระพินนั้นร้องพร้องกับเสียงร้องเขาก็ออกวิ่งเต็มฝีเท้าตรงกลับไปยังคณะทั้งหมด แต่เห็นจะไม่ทันต่อเหตุการณ์ซะแล้วเพราะพรานใหญ่เดินหาขบวนออกมามากส่วนเจ้าแรดนั้นใกล้กว่าและมันก็หลีกเข้าไปอยู่อีกฝากหนึ่งโดยมีขบวนของเจ้าขาขวางอยู่ตรงกลางลมทุ่งพัดมาวูบหนึ่งจากเหนือลงใต้ไอ้รถทั้งมีชีวิตซึ่งกำลังหันรีหันขวางเพื่อจับกลิ่นอยู่ในขณะ น, นี้กระสากลิ่นแปลกปลอมของเหล่ามนุษย์อย่างถนัดถนี่นทเสียงฟืดออกมาสนั่นวันไว้เห็นทะยานออกจากที่ ก้มหัวลงตา่าแล้วก็พุ่งเข้าใส่ไม้กลางขบวนด้วยกําลังเต็มฝีเท้าราวกับพายุสลาตันพัดเสียงฝีเท้าที่ควบมากับพื้นทุกทาให้ทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกับแผ่นดินตอนนั้นจะถล่มทลายลงเสียงใครต่อใครในคณะร้องบอกความกันแซ่สามฟังไม่ได้สับอึงโอนกลาหุ่ไปหมดทั้งขบวนทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกระทันหันเหลือเกินแม้ว่าจะคอยระวังกันไว้ก่อนแล้วก็ตาม เชี่ทาวาดเปินขึ้นแต่เขาก็เสียจังหวะสำหรับนัดแรกเพราะลูกหาคู่หนึ่งยังไม่ได้ว่าเป็นคู่ของใครแลนมาปะทะไรเปิลและชนเขาเสียหลักล้มไปชายันนั้นอยู่ใกล้ดารินมากที่สุดคว้าแขนเพื่อนสาวกระชาตให้หลบออกท้ายขบวนแรงกระชากยังเต็มริษตกใจของชา ย, ยันทำให้ไรเฟิลที่ถูอยู่ในมือราชสักุลสาวพลัดล่นไปเงยสายกับขยินทิ้งหากระโจนไปคนละทาง เท่าเท่าันจันสร้างปาก็วิ่งแจอย่างไม่คิดชีวิตคงมีแต่เกิดกระเซยเท่านั้นที่หาของกระเราะกระราก่าม้วนตัวอยู่และมาเรียซึ่งบัดนี้ปรากรียว่องไวจนูไม่ทันรอนวิ่งสวนเยื้องออกไปทางด้านซ้ายกระสุนนัดแรกก็แพรระเบิดขึ้นรอนยิงในขณะที่วิ่งนั่นเองเสีย ง, งหลมลจากสีแซบในมือของแมสกกสมสาวปะทุกรบซำสำเนียงใดๆลงชั่วขณะ กระสุนทะลวงเข้าร่างกายอันใหญ่ทึบประดุดกำแพงเมืองจีนนั้นแน่นอนแต่จุดหมายตำแหนง่งใดคนยิงเองก็ไม่สามารถจะบอกได้ที่รู้แน่ก็คือมันไม่ได้สะดุ้งสะเทือนหรือมีอำ น, นาจยับยั้งสภาพที่คว้าลิ้วเข้ามาราวกับตอปีดนั้นได้เป้าหมายแรกของมันก็คือเกิดกับใสยซึ่งยืนเด่นอยู่ตรงกลางทั้งคู่เพิ่งจะมาได้สติเมื่อเสียงปืนรับแรกระเบิดนั่นเองต่างร้องออกมาสุดเสียงวัดโยนหาบทิง้ง กระจนเป็นลิงไปคนละทิศละทางรากับฟ้าถล่มโลกทลายพริปตานั่นเองเหมือนสายอ ส, สุนีบาดฟาดลงมากลางหาดสัมภาระที่ทั้งสองโปรทิ้งจากไหลซึ่งดูเหมือนจะไม่ทันหล่นลงพื้นด้วยซ้ำไม้คานที่หากของประเด็นเป็นสองท่อนลอยคว้างขึ้นไปในอากาศและห่อสัมภาระแตกกระจายหอนั้นเป็นห่อเสื้อผ้าและผ้าใบ ตลอดจนของใช้จุกจิกจำเป็นบางส่วนสรรพสิ่งที่บรรจุไปว่อนลอยขึ้นไปสูงราวกับถูกแรงระเบิดยันแล้วร่างอันใหญ่โตนั้นก็ผ่านเลยไปพร้อมทางตะแคงบกตัวเลี้ยวปรับอีกครั้งอย่างดไร้ายกระหายเลือดรองทางเสียงอะไรทางสิ้นเช็ดาหัวใจเกือบหยุดเต้นเขายกวเวร์บีขึ้นอีกเจ้า ก, กำเหลือแสน ไอ้ลิงธมนก็ยินผ่านมาบางทางปืนเข้าให้อีกในเสี้ยวของวินาทีดับจิตนั้นระยะนี้เองที่ท่านหัวหน้าคณะได้ยินเสียงปืนระเบิดประสานกันฟังไม่ได้สับสะเทือนทุ่งไม่รู้อใครบอของใครภาพทนชุกกระหุกที่ผ่านสายตาอยู่มาไม่สามารถจะกำหนดได้ว่าใครเป็นใครสับสนล้านไปเลดารินผลักชัยยันสลัดแขนกลุก่ม วิ่งตรงเข้ามาที่ได้ยของหลอ น, น, นสวยที่กำลังเนตาแหกตาปริ้นมาจะกอีกด้านหนึ่งล้มกริ้งกันลงกลางทุ่งพร้อมกันช่ปริ้นตานี่เองที่ไอ้รถถังซึ่งปวดไล่หลงังสวยติดๆมาก่อนแล้วกระโจนเข้ามาถึงตรหนที่รัองล้มกริ่งอยู่ต้มหัวลงวิด ว, วนอันแหลมคมราวกับใบหอกเฉียดตะโพกดาลิไปเพียงนิดเดียวพาะควิดผิดมันก็กนไปโดนข้าวปูนขาดไป ความรู้สึกของดารินยานั้นเกา่กับพายุพระการพัดผ่านเลยสีสัตว์ลมขยับจะตักใจเฉยตะทุบเอาไว้กดลงนอนราบพร้อมกับตะโกนสุดเสียงนายหญิงยังเอ้ยดารินแจ้เขียหลับตาแน่สบหน้าลงกับพื้นหญ้าเอามือปุหูตอนคิดว่ามันแวงกลับมาในคราวนี้แม้จะคุยดไม่ถึงก็จริงแต่ทั้งลนและเยมีวัดเยียบขยี้แรงตรงนี้เอง แต่จรพกิ่งกวางบอกว่าอันที่กระโจผ่านร่างไร่จะสูงสาวจะนิ้ติเท้าวหลังเกือบจะเหยียบร่างงามให้เลีวเละไปเกิดผู้กําลังโกยตูดแป้นอยู่ก็เข้าทิศทางเบื้องหน้าของมันพอดีโดนคว้ใส่เยื่อที่ผานมาแล้วแต่พุ่งเข้าไล่ใ้ที่คนเบื้องหน้าไล้ที่สุดต่อไปทำกลางห้องเอะอโวยวายระงงไปหมดเกิดวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตโดยมีไอระยัดยักษ์ก้มหัวไล่ขิดไปติด ในสายตาของทุกคู่ที่แลเห็นอย่างใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัวแต่เจ้าลูกป่าโดยสายกำเนิดก็วัยทายาตพอกระชั้นชิดจวนตัวขึ้นมาเกิดก็กระโดดหลบออกทางด้านขวาแล้วล้มตัวลงนอนตี้มันเฉยสีปากขึ้นผิดคุยผิดเป้าหมายแล้ววิ่งถลังเลยไปเบื้องหน้าบุญคำกับจันซึ่งกดไล่หลังมันมีทีนึงก็ประเคน ล, ลูกปืนเข้าใส่กันคน ล, ละนัดมันแวงตัวอีกครั้งบายป๋ กับจังก็ประจนกันทุ่งราบแยกไปคนละทิศมันเลื้อกเลี้ยวไล่จัดซึ่งวิ่งเวียนเป็นวงกลมร้องตะโกนของความช่เหลือสุดเสียงปืนของจันไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะเป็นราวนิ่งลูกซองเหตุการณ์มันเกิดขึ้นทางด้านที่ห่างเชี่าออกไปและมีใครต่อใหรที่บางทางปืนของเขาหมดชายันเองอยู่ในทิศทางที่จะยิงได้ถนัดกว่าแต่ก็มัวแต่งเสียงร้องเอตโรและเงอะงะงุ่งงมงามอยู่ยกปืนซองแล้วซองอีก ไม่มีโอกาสลั่นไกลซักตูมเดียวเพราะเป็นหัวตัวลูกจะเลยไปถูกพวกเดียวกันที่กําลังวิง่งวุ่นเป็นสิงครีอยู่ในขณะ น, นี้มาราะพัมั่นใจเด็ดที่สุดในภาวะเช่นนี้หล่อนวิ่งเข้าใส่จนได้ระยะในระหว่างที่มันมุ่งเข้าไล่ขยี่จันและแล้วก็ประเคนโครมเข้าไปเป็นนัดที่2อกลางลําตัวอันใหญ่โตนั้นความจริงหล่อนหมายซ่อนว่าสายมันวิง่งและตัวหล่อนเองก็กําลังวิง่ง กระสุนจึงไม่เข้าจุดที่เจตนาไวาเสียงหัวกระสุนขนาด300เกรนหัวข็ตีทะลวงผ่านกล้ามเนื้ออันหนาแน่นมากมายนั้นเข้าไปอย่งางถนัดทันีนัดนี้เองที่ทำให้มันชะ ง, งักไปเล็กน้อยชีวิตของจันที่กำลังจะดับสูญก็พลันยืดออกไปได้อย่างน้อยก็ช่วโอกาสเส้นยาแดงผ่าไปแล้วมันก็หันกลับหมนศรีรษะไปทางแม่สาวผมทองผู้ห้าวหาญขีดสุดเมื่อ น, นั่นเอง มฤตยูก็กลุ้มอยู่เหนือดวงชีวิตของมาเรียผู้กําลังกระชากลูกเลือดถอดปลอกกระสุนเก่าและเตรียมยัดนัดใหม่เข้ารังรทุนอย่างดเร็วแทบไม่หายใจชายยันอันนันไกรจึงเพิ่งจะฉลาดและทันต่อเหตุการณ์ขึ้นในภาวะเช่นนี้เองเขาตะโกนเป็นสาวสุดเสียงแล้วก็ปลาดเข้ามาขวางหน้าไว้ด้วยจุ600 0หนไนโตรเอ็กซ์เพรสและเมื่อนั้นอดีตนายทหารปืนใหญ่ก็เผชิญหน้ากับเจ้ารถถังมีชีวิตในระยะห่างเพียงแค่เจ็ดวา มันถาโถมเข้ามาชนิดที่จะงัดทีเดียวให้ขาดกลางดับเบิลไรฟิลในมือของชายานก็ระเบิดออกไปพร้อมกันทั้งสองลำกล้องดังเหมือนพลุกงรงไปเกินขนาดแล้วคนยิงเองก็ตีลังกาหงายท้องด้วยแรงถีไฟรฟิลกระเด็นหลุดมือไปทางหนึ่งตัวเองไม่เห็นเป้าหมายว่าเป็นอย่างไรคิดแต่ว่าวาระสุดท้ายของชีวิตได้มาถึงแล้วคราวนี้กูตายแนย่แต่ทุกสายตาอื่นมองเห็น มันเป็นภาพที่หวาดเสียวและน่าดูขีดสึดไอ้แรกยักษ์วิ่งเข้ามาเอาจมูกทิ่มสวบลงไปบนดินห่างจากชายยันที่กำลังนอนหมอนเชียงวาเดียวเขาหน้าทั้งสองคู่ลงในขณะที่ขาหลังยังยันเกรงอยู่กับพื้นแล้วชั่วพริบตาต่อมามันก็ล้มตึงลงจนแผ่นดินสะเทือนไม่ได้กระดิกกระดียอีกเลยนอกจากเลือดที่แสกหน้าจากบาดแผลสองรูใหญ่ๆเท่านั้น ที่ปรีทะลักออกมาเรากับท่อประปาแตกนอกข้างซ้ายขาดหักสะบั้นไปด้วยแรงกระทบของกระสุนขนาด900เกรนนับหนึ่งก่อนที่จะเจาะเข้าทะลุแสกหน้าระพินไทรวันวิ่งเข้ามาถึงในขณะที่ทุกคนในคณะพักกำลังยืนหน้าซีดเผือดหอบแหกยังพูดอะไรกันไม่ออกสักคำเดียวต่างเข้ามายืนล้อมวงดูไอรดโบราณตัวนั้นด้วยอากัปกิริยาต่างกัน เหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นภายในเวลาไม่เกินสิบวินาทีเท่านั้นนับแต่ก้าวแรกที่มันพุ่งชาร์จเข้าใส่พรานใหญ่ในขณะที่วิ่งเข้ามานั้นก็มองเห็นเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างชัดแจ้งหมดเพ<ร>ียงแต่เข้ามาไม่ทันต่อเหตุการณ์เท่านั้นทุกคนนอกจากถลอกบอกเบิกเพราะหก ล, ล้มและนเน็ดเหนื่อย ต, ตื่นเต้นกันแทบขาดใจตายแล้วไม่ปรากฏว่าใครเป็นอันตรายใดยๆทั้งสิ้นนอกจากชา ย, ยันผู้ง่ามมือฉีกเลือดไหลโชก เพราะหางเกียวของไรเฟิลกระแทกบาดมือในขณะที่กระสุนลั่นพร้อมกันทั้งสองลำกล้องอันเนื่องมาจากกรรมคอปืนไม่แน่นพอบัดนี้ยังไม่มีใครอ้าปากพูดคำใดไ ด, ได้นอกจากอ้าปากขอบแล้วมองตากันเองอยู่ไปมามันไม่น่าจะก่อความยุ่งยากขึ้นเลยนะครับความจริงผมก็กะไว้ชีวิตมันแล้วคานใหญ่พึมพำต่ำตำาๆขณะที่โครงศีรษะอยู่ไปมา ตาจับนิ่งอยู่ที่ซากแรดใหญ่ตัวนั้นใช่สิคุณทำเป็นคนใจดีให้ชีวิตมันชีวิตของพวกเราก็เลยเกือบพินาศไปมันเป็นความผิดของคุณน่ะทำไมคุณถึงไม่ยิงมันซะแต่แรกดารินร้องขึ้นหอบหอบสายตาคู่นั้นมองสบตาอันแลจ้องมาอย่างเดือดดาลของราชสกุลสาวด้วยความสงบผมคาดการผิดครับนึกว่ามันจะวิ่งเลยออกนอกทางไปด้านอื่น ปรากฏว่ามันวิ่งย้อนลงด้านใต้ด้านใต้ลมของพวกเราไม่น่าเลยในที่สุดมันก็หาเรื่องเดือดร้อนมาตายจนได้ประโยคหลังเขากล่าวเหมือนเสียงบน่นถอนใจอีกครั้งยังโครงศีรษะอยู่เช่นนั้นกล่าวต่อมาว่าทุกคนปลอดภัยไม่ใช่หรือครับดารินขยับจะปล่อยคำพูดแรงๆอะไรออกมาอีกแต่พี่ชายมองตาปรามไวสกอดกล่าวขึ้นปนหัวเราะอย่างไม่เห็นเป็นเรื่องสลักสาคัญว่า เรียบร้อยดีทุกคนผู้กองแต่ก็ใจหายใจคว่ำอกสั่นขวัญแข ว, น, ขวนไปบ้างเท่านั้นดีเหมือนกันได้อุ่นเครื่องอีกครั้งออกกําลังยืดเสน้นยืดสายเราไม่มีเรื่องตื่นเต้นถึงเรื่องชีวิตกันมานานแล้วเหตุการณ์ธรรมดาหรือเกินสําหรับพวกเราทุกคนความจริงมันควรจะหยุดอยู่กับที่ก่อนแล้วตั้งแต่ก้าวแรกที่มันพุ่งเข้าใส่ขบวนเราถ้าไม่มีใครคนนึงวิ่งมาชนผมซะก่อนผมไม่มีโอกาสได้ยิงเลยแม้แต่นัดเดียว ใครต่อใครวิ่งวุ่นโอลหมานบางทางปืนผมไว้หมดส่วนมากนะปืนพลัดหลุดจากมือกันหมดตอนที่มันชาร์ดเข้ากลางขาบวนแล้วมันก็ฉุกกระหกุกเหลือเกินน่ะในตอนนั้นผมไม่ห่วงตอนที่มันวิ่งตะลุยใส่เราหรอกเพราะก็รู้ๆอยู่ว่าทุกคนคล่องตัวพอที่จะเอาตัวรอดได้เป็นห่วงอยู่แต่ว่าจะยิงถูกกันเองซะมากกว่าแต่ก็โชคดีมากที่ไม่เกิดเรื่องชนิดนี้ขึ้นทั้งๆที่ลูกปืนของใครบ้างก็ไม่รู้เฉียวตัวผมไปตั้งหลายครั้งในะตอนที่ซับกันสับสนอะ ไพวันคุณเซฟลูกปืนของคุณเพียงนัดเดียวทำให้พวกเราหมดเรืองกระสุนไปหลายนัดรวมทั้งเกือบตายด้วยมาริยาฮอบมั่นต่อว่าอีกคนหนึ่งแต่หางเสียงของหล่อนไม่มีความหมายอะไรนะักขณะนี้หล่อนกำลังเอาผ้าพันแผลพันง่ามมือของชยยันอยู่ตรงข้ามกระดารินซึ่งเคืองมากๆเพราะในบรรดาคนที่บวุดวิดตายมากที่สุดนั้นมีหลอนอยู่ด้วยคนนึง ม, นงมีหน้าซ้ำยังโมโหชัยยันที่มัวแต่จูงมือจูงไม้หลอนอยู่ จนกระทั่งทำให้ยิงได้ไม่ถนัดมีหน้ำซ้ำปืนยังหลุดมือไปซะอีกราชสกุลสาวบนอุบอิบพระใหญ่ไม่มีปฏิกิริยาโต้อตอบใดๆเขายอมรับอย่างสงบถูกแล้วมันเป็นความผิดของเขาเองที่ใจเย็นและเผื่อแผ่มไม่ตาให้แกเจ้าสัตว์ ร, ร้ายมากเกินไปมันไม่ทำอะไรเขาก็จริงแต่ดันย้อนกลับมาเล่นงานคณะเขาเจนได้และในที่สุดภายหลังก่อความโกลาหลอกสั่นขวัญเต้นให้พักหนึ่ง ก็มาดับดิ้นวายปรานลงด้วยน้ำมือของชัยยันผู้บัดนี้ความตื่นเต้นตกใจทำให้อดีตนายทหารหนุ่มพูดอะไรไม่ออกได้แต่กรอกหน้าจอมพรานกวาดสายตาสำรวจไปยังพวกพ้องทุกคนที่ยืนเรียงล้อมอยู่และมาจับนิ่งอยู่ที่แงซายซึ่งยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเขาจอมพเนจรแลอยู่ก่อนแล้วด้วยสีหน้าเฉยแต่แววตาดูเหมือนจะมีรอยยิ้มอย่างขบขันขณะที่เกิดเหตุฉุกเฉินโอลมานนั้น สภาพของทุกคนในคณะยุ่งเหยิงสับสนไปหมดทำให้รพินผู้วิ่งตรงเข้ามาไม่สามารถจะสังเกตได้ว่าใครเป็นใครบ้างแล้วก็ไม่เห็นว่าแงซ า, ายมัวไปทำอะไรอยู่ที่ไหนแงซ า, ายปืนกันหลุดมือเหรอเขาถามผมหาของสภายปืนแล้วก็สภายคันธนูครับคำตอบมีมาอย่างช้าๆอย่างรู้เท่าทันในเจตนาแห่งการซักของเขา มื่มันวิ่งเข้าใส่จวนตัวขยินหาบอยู่ข้างหลังผมมันผลักโยนหาบทิ้งมาข้างหน้าผมเซเกือบลม้มทุกสิ่งทุกอย่างหลุดออกไปจากไหลมันวจวนวมันจวนตัวจริงๆพวกกองจวนตัวซิจนผมไม่มีเวลาที่จะก้มหยิบปืนได้แล้วจะทาไงวิ่งหนีแงซายตอบหน้าตาเฉยท่านใหญ่ไม่ว่าอะไรเช่นกันแล้วเขาก็เล่เห็นว่าในจํานวนนั้นขาดไปคนหนึ่งคือสางตา เพราะเอ่ยปากถามทุกคนขึ้นต่างจึงพบกับความเอกใจช่วยกันกวาดตาค้นหาไปรอบๆและทุกคนก็แทบจะอดหัวเราะออกมาไม่ได้พร้อมกับความโล่ง อ, อกเมื่อเหลียวไปพบศีรษะอันโปะผ้าของเจ้าตองสู่ค่อยๆโผล่มาจากกอหญ้าขนห่างออกไปราวยีสิบก้าและมันก็ค่อยๆ ค, คลานออกมาเมื่อมาเรียตะเบงเสียงเรียกวิชารู้รักษาตัวรอดนี่เห็นจะไม่มีใครเกินเจ้าสร้างตาละ่ะ เชิฐาพูดพลางหัวเราะพลางมองดูลูกสิบคู่ใจของมาเรียอย่างพอใจขณะที่มันเดินกระย่องกระแยงเข้ามาสมทบภายหลังเพื่อนหน้าตายตามเดิมพอมาถึงก็เข้ามานั่งยองๆดูซากาจ้าแรดตัวนั้นด้วยอาการอันเป็นปกติราวกำไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยทุกคนไม่มีใครเป็นภาระหนักใจให้แก่ใครทั้งสิน้นเมื่อเกิดวิกฤตการขึ้นต่างช่วยตัวเองได้โดยอิสระเสมอไม่ว่าหนีหรือสู้ ระพินแลผ่านทุกคนไปยังชายยันแล้วยิ้มให้นิดหนึ่งขออภัยครับคุณชายยันที่ทําให้คุณต้องลําบากกว่าเพื่อนชายยันเพิ่งจะหัวเราะ อ, ออกมาได้กรอ่กรอยเป็นครั้งแรกเรื่องเล็กหน้าผู้ ก, กองผมไม่เคยต่อว่าคุณเลยไอเปรตนี่ไม่อยากจะตายด้วยมือคุณมันก็เลยเลี่ยงมาตายด้วยมือผมยันได้แต่ความจริงผมนึกว่าผมตายแล้วซะอีกเน่ยอารามตกใจก็เลยเหนี่ยวไปพร้อมกันทั้งสองลำกล้องขณะที่ยิงอ่ะ หัวมันห่างจอกปากกระบอกปืนของผมแค่สามวาเท่านั้นล่ะคุณนี่คราวหลังนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเธอไม่ต้องมาฉุดไม้ฉุดมือฉันทั้งสิ้นนะดารินหันไปเลงเพื่อนชายเอามือลูบทําตะโพกที่ขัดยอกไปข้างหนึง่งดีไม่แหลกไปด้วยกันเพราะมัวแต่ลากแต่จูงกันอยู่นี่แหละขอโทษทีน้อยฉันตกใจและทําออกไปเพราะฉันสัญชาติตยานเท่านั้นชยันตอบเบาๆยิ้มแห้งแรง รู้สึกตนเองได้ดีว่าดูเหมือนเขาจะเป็นคนเดียวในคณะที่เงอะงะซุ่มซ่ามที่สุดในขณะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในการพิจารณาสำรวจซากแรดโบราณตัวนั้นอย่างพิเคราะห์มาเรียก็บอกให้ทุกคนทราบว่ามันคืออาร์ซินอยแรดประเภทมีนอผู ง, งอกบนสันจมูกในลักษณะเรียงแถวคู่ต้นตระกูลของแรดทั้งหลายในยุคปัจจุบันไม่มีใครสนใจกับมันมากนักภายหลังจากพิชิตมันลงได้ ไม้คานหาบของเกิดกระเซยเหลือแต่ซากอันหักสะบั้นย่อยยับซึ่งสันนิษฐานว่าคงจะกระทบขัดกระขาคู่หน้าของมันขณะที่วิ่งเข้าใส่ส่วนห่อสัมภาระกระจายเรียราดไปทั่วโชคดีที่ส่วนมากเป็นพวกเสื้อผ้าและผ้าใบปูนอนจึงไม่มีอะไรชำรุดเสียหายรพินสั่งให้เก็บรวบรวมห่อมัดให้เรียบร้อยอีกครั้งและให้เกิดกระเรยช่วยกันแบกไปก่อนจนกว่าจะถึงบริเวณที่พอจะตัดไม้มาทาคานหาบใหม่ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยลงภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีโดยไม่ยอมเสียเวลาใดๆทั้งสิ้นแล้วคณะทั้งหมดก็เร่งออกเดินต่อบ่ายหน้าเข้าหาลูกเนินอันเป็นสุสานโบราณมองเห็นอยู่เบื้องหน้าไม่ห่างออกไปนักทิ้งซากอาซินอยหรือเจ้าแรดโบราณตัวนั้นไวเบื้องหลังกลางทุ่งเพื่อเป็นเหยื่อแก่แรงกาและสัตว์ป่าที่จะมาพบต่อไปตามธรรมชาติของมัน ไม่สนใจกับเหตุการณ์อันเปรียบเสมือนอุปัตตวาเหตุเล็กๆน้อยๆนั้นอีกต่อไป